ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุโตตอนที่สิบสามสัาปัญญานี่ก็สิบฟังที่มันจะพันกันนะไมเน like ันก <sino. S 1> ัน <certains> ก็ถ้าโดยตรไหมายถึงว้าไมนพุทนะถ้าสิบฟังนี่คือถ้าทางกวันตกเนี่ยศานาของคนนี่ทางด้านสุทธาเนี่ยปัญญาจะจะหายไปอ้าก็ มันมีจุดสัมพันธ์ระหว่างศรัทธาปัญญาศรัทธาในพุทธศาสนานี่เป็นศรัทธาที่เอื้อต่อปัญญาเป็นไปเพื่อปัญญาศรัทธาที่ถูกต้องต้องอย่างนี้ถ้าศรัทธาไม่ถูกนะเป็นศรัทธาขวางปัญญาเลศรัทธามีสองแบบศรัทธาที่ขวางปัญญาดับปัญญากับศรัทธาที่หนุนปัญญาศรัทธาในพุทธศาสนานี่เป็นตัวนำเบื้องต้นเข้าสู่ปัญญานี่ต้องพูดกันต่อไปอีก ก็อันนั้นก็ด้วยแหละแต่ว่าโดยเฉพาะเอากันโดยตรงเลยระหว่างศรัทธาปัญญานี่เป็นหลักการสําคัญในพุทธศาสนาที่จังต้องพูดนะถ้าผมลืมพูดก็ต้องเตือนให้พูดด้วยว่าศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรแล้วไปสัมพันธ์กันลึกปัญญาอย่างไงอา้าวเลยพูดเติมนเขา อ, อีกนิดหนึ่งเนะี่ยศาสนาต่างๆที่จะให้คนมีความเพียร น, นะในเมื่อมีเทพเจ้าให้พึ่งแล้วเนี่ยผลที่สุดทําไง เขาจะต้องมีคติขึ้นมาใหม่เพราะมิฉะนั้นคนก็ไปอรอเทพเจ้าช่วยใช่ไหมอ่าศาสนาในหมู่ฝรั่งก็จะสอนกันบอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองใช่ไหมใช่ไหมตัวลงก็ต้องมาเอาของนี้ตัวลงแกข้าวยังไม่ช่วยหรอกแกต้องช่วยตัวเองก่อนข้าจึงจะไปช่วยถูกไหมเมื่อไงนะคนก็ไปหวังพึ่งก็มไม่ต้องทําอะไรเทวดาทําให้ใช่ไหมก็ถ่ายโอนภาระให้เทวดา ยกปัญหาเทวดาแก่ฝรั่งก็เจออันนี้เขาชั้นฝรั่งก็ต้องหาทางออกฝรั่งก็เลยบอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้ น, นถ้าแกไม่ช่วยพระเจ้าก็ไม่ช่วยตัวลงก็มาลงที่ช่วยตัวเองทีนี้ยิวบ้างยิวเป็นไงยิวก็เชื่อพระยโฮัวใช่ไหมพระยาฮัวก็มาเป็นกอดของคริสด้วยอ้าวก็เชื่อเทพเจ้าสูงสุดพระผู้เป็นเจ้าอีกแหละ แต่พระพุทธเจ้ายังไอพระพุทธเจ้ายังไม่ทำอะไรให้ให้แต่แผ่นดินอย่งสัญญาว่าแกต้องช่วยตัวเองไปจกนกระทั่งไปถึงแผ่นดินสัญญานั่นนี่เห็นไหมาศาสนาที่มีเทพเจ้าก็เจ้าต้องเอาอุบายอะไรมาเพื่อให้มนุษย์ไปช่วยตัวเองในระหว่างนี้พระเจ้าไม่ช่วยหรอกแกดิ้นของแกไปกันละกันน่น่โน่ น, นแผ่นดินอย่งสัญญาพระเจ้าให้ความหวังไว้เนี่ย ก็อยู่ด้วยความหวังอันนั้นแต่ความหวังนี่ไม่ใช่ความหวังที่จะได้มาโดยเขาช่วยนะความหวังที่ตัวเองจะต้องดิน้นอันนั้นพวกอยู่ก็ต้องดิ้นสุดฤทธิ์ทีนี้นะ้เวใช้เวลาเป็นพันปีเป็นพันปีปนนปใช่ใช่แผ่นดินแห่งสัญญาพอไปถึงแผ่นดินแห่งสัญญาแล้วก็ยังโดนพวกอาลับบีบชศชาตายอีกใช่ไหมพระเจ้าท่านก็ยังไม่เห็นว่าทาให้สบายเลยใช่ไหมเสร็จแล้ว ต้องระแวงภัยวาดวันตลอดเวลาใช่ไหมพวกอาหรับมันจะโจมตีจะปลุกอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่อนแอเมื่อไหร่อาหรับเอาตายใช่ไหมอย่างนัทเซอร์ตอนนั้นตอนพศระยะใช้กล้พศสมบัร อ, อะ่ะแม่ตอนนั้นอียิปต์นี่เข้มแข็งมากมีผู้นําที่ยิ่งใหญ่ชื่อนัทเซอร์นะนัทเซอร์ขึ้นมาแม้พวกอียิปต์ก็นึกว่าตอนนี้เราจะ ยิ่งใหญ่ที่สุดแหละตอนนี้นัดเซอร์ก็กราบปราบยิวเอาให้หมดแผ่นดินเลยคนนี้นีก็วางแผนเตรียมรบอย่างดีเลยทุ่มเทกําลังเต็มที่อียิปต์ยังไม่ทันขึ้นเลยเครื่องบินยิวมาถึงบอมสนามบินอียิปต์หมดเลยเครื่องบินขึ้นไม่ได้เจวันยิวปราบอียิปต์จบสงครามเจ็วันอียิปต์แพ้เลยยกธงขาว เนี่ยแต่ว่าอะไรล่ะนี่ผมบอกแล้วหลักการของมนุษย์ปุถุชนมนุษย์นั้นเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุก ค, คามก็จะลุกขึ้นดิน้นรนขนขวายคนไทยเหมือนกันเวลาอยู่สบายก็ทะเลาะกันว่ากันวุ่นวายพม่ายกทัพมาตีโอโหสามัคคีกันลุกขึ้นมาสู้เต็มที่ใช่ไหม น, นี่แหละทุกข์บีบคั้นภัยคุก ค, คามก็จะเข้มแข็งดิน้นรนขนขวายแต่ถ้าไปหวังพึ่งอ่ะเสร็จอีกไปไม่รอดอีกใช่ไหม ต้องไม่มีใครช่วยแล้วต้องเอาเต็มที่ตอนนี้หละมันจะเข้มแข็งทีนี้ยิวแกอย่างนี้นี่ใช่ไหมภัยอันตรายรอบด้านอาหรับเต็มไปหมดเลยกี่ประเทศประเทศเดียวก็หลายสิบล้านแล้วยูสามล้านประเทศเดียวก็สู้เขาไม่ได้แล้วถ้าเราเอากำลังคนใช่ไหมแต่ทําไมสามล้านมันอยู่ได้ท่ามกลางเป็นร้อยล้านใช่ไหมและศัตรูเท่านั้นไม่มีใครเอาดีด้วยเลยจะข่ําหันจะปราบอย่างเดียว มีช่องอะไรอเอาทันทีใช่ไหมแต่ว่ายิวก็หนามเต็มตัวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็คลามไม่กล้าเพราะอะไรก็เพราะว่าเนี่ยภัยอันตรายคุกคามก็เข้มแข็งใช่ไหมดิน้นรนเต็มที่นั้นยิวนี่ตื่นตัวตลอดเวลาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเข้มแข็งเขาบอกว่าเขามีคติอยู่อันหนึ่งบอกว่าคนยิว ต้องทําได้ทุกอย่างทุกคนด้วยไม่ว่าวิวิงว่าชายขึ้นรถขับรถได้ลงเรือขับเรือได้ขึ้นเครื่องบินขับเครื่องบินได้ต้องทุกคนนี่มันถึงขนาดนี้นะก็มันฝึกกันขนาดนี้มีคติอย่างนี้ใช่ไหมต้องแต่เด็กแต่เล็กมามก็ต้องเอาอยังงี้แล้วใช่ไหม น, นั้นก็เข้มแข็งนี่คนมันอยู่ที่การฝึกเพราะฉะนั้นยิวคนเดียวในสู้กับอาหรับสิบคนได้สบายเลย ใช่ไหมอ น, นันต์จึงเอาไม่อยู่อ น, นันตก็ตกลงก่แผ่นดินยังสัญญามาถึงแล้วก็ยังพระเจ้าก็ยังไม่ทำให้สบายอีกต้องมาสู้ตลอดเวลาอาการที่ต้องสู้ต้องช่วยตัวเองก็เข้มแข็งนั้นต้องระวังมากนะสังคมไทยเป็นสังคมที่หวังพึ่งมนุษย์ในกันเองหวังพึ่งอำนาจเล่นลับภายนอกซึ่งเป็นส่วนที่ดีเราจะพูดกันต่อไปว่าส่วนดีแค่ไหนส่วนเสียแค่ไหน ถ้าใช้ไม่เป็นแล้วก็จะเกิดโทษได้มากอย่างที่บอกแล้วว่าได้ไม่คุ้มเสียนะอาจจะต้องทุ่มชีวิตนี้ให้ทั้งชีวิตไปโดยที่ตัวเองไม่ไม่ได้สิ่งที่ประเสริฐที่ควรจะได้ในเวลาที่ร้อยปีที่เกิดมานะปาณะที่เรเรียกว่าอัตบานนาปาณะแปดอย่าง <c oughs> ในวินัย ก็แสดงไว้ว่ามีน้ำานั่นนัน่อย่างท <c oughs> ีงนี้อัฐบาลเนี่ยมีอีกชุดหนึ่งไปอยู่ในคำพีนิเทศ <c oughs> นิเทศนี่ก็เป็นพระไตรปิฎกในพระ ส, สูตร <c oughs> เล่มแถว29ก็30ับินี่เรยกว่านิเทศเป็นมหานิเทศก <c oughs> ับจุลนิเทศอัฐบาลก็มีอีกชุดหนึ่งในนั้นก็มีประโยชปานนังน้ำนมด้วยก็เลย ฝ่ายที่ถือว่าเอ๊ไปอยู่ในชุดโภชนะอันริสิก็ฉันไม่ได้สิเป็นโพชนะ mm hmm. ทีนี้ท่านที่ถือหลักฐานตามคำร์นิเทศก็บอกว่าก็เป็นประโยปนานะเป็นน้ำปนานะคือน้ำนมก็ต้องฉันได้ก็เลยต่างคนก็เอาตามหลักฐานของตัวที่มีก็ท่านที่ถือตามนิเทศก็ฉันท่านที่ถือตามสิกขาบทว่าเป็นโภชนะอันบรีสไปมีชื่อระบุอยู่นะ่ะ ก็เลยไม่ฉันเรื่องก็เป็นอย่างนี้นี่ถ้อย่างนั้นถ้าบางคนข้อสงสัยกันนี่จริงๆเราควรจะไม่ฉันไม่ใช่เหรอครับเพราะมันเป็นข้อสงสัยขึ้นมาแล้วถ้าเป็นสงสัยเราสงสัยเองนี่เป็น <laughs> เรื่องเราสงสัยนใช่ไหม ถ, ถ้าเราไม่สงสัยก็ฉันก็เพราะว่าท่านถือว่าท่านมีหลักฐานนี่หลักฐานชัดอยู่ประโยชน์ปนังท่านว่างกันนี่ใช่ไหมมันมีในคีร์ ที่ได้พูดกันมาก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันทั่วไปสภาพแวดล้อมที่ชาวพุทธจะต้องดําเนินชีวิตอยู่สัมพันธ์อยู่เรื่อยๆซึ่งก็โยงไปถึงเรื่องสภาพของความเชื่อถือได้ทางศาสนาต่างๆแม้ที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นเป็นการเกี่ยวข้องกับวัตถุบ้าง เรื่องพิธีกรรมบ้างแล้วก็ความเชื่อต่างๆบ้างอันนี้ในเมื่อพุทธศาสนาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นซึ่งรวมทั้งเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดาเทพเจ้าต่างๆด้วยเนี่ยพุทธศาสนาจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรอันนี้พุทธศาสนานั้นก็มีลักษณะอย่างหนึ่งที่ว่าถือว่า มนุษย์นั้นจะต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนพัฒนาตนในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนในสิ่งสําคัญก็คือต้องเกิดปัญญาปัญญาเป็นตัวแกนกลางสําคัญที่สุดที่จะทําให้มนุษย์พัฒนาตนขึ้นมาในที่สุดมนุษย์จะต้องรู้นั่นเองต้องรู้เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆทีนี้ปัญญานี่เป็นสิ่งที่ยัดเยียดบังคับกันไม่ได้นั่นก็โดยธรรมชาติเองก็เป็นเรื่องที่ว่า แต่ละคนจะต้องเรียนรู้ฝึกตนขึ้นมาพัฒนาตัวขึ้นมาแต่ผู้อื่นก็มาช่วยได้โดยที่มาบอกเล่าสั่งสอนแนะนำแล้วก็ช่วยจัดสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเป็นตน้นอันนี้ในเมื่อปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้อย่างนี้ โดยธรรมชาติเองก็เป็นอันว่าหลักการพุทธศาสนาก็ต้องเป็นหลักการของการที่ให้เสรีภาพนะคือไม่อาจจะบังคับได้และนอกจากนั้นพุทธศาสนาก็โยงไปถึงการที่เมื่อมนุษย์มีปัญญารู้แจ้งเข้าใจความจริงโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยจิตใจเป็นอิสระก็เข้าใจผู้อื่นถูกต้องก็เกิดความเห็นอกเห็นใจ การเข้าใจผู้อื่นตามความเป็นจริงก็ทำให้รู้ถึงสุขถึงทุกขของเขาก็เกิดคุณธรรมตามมามีเมตตากรุณาเป็นต้นอันนี้นก็เลยเป็นไปเองโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่พัฒนาและอีกอย่างหนึ่งที่ว่าจะมีความรู้สึกที่ดีงามปรารถนาดีต่อผู้อื่นสำหรับท่านที่พ้นจากทุกข์ไปแล้วเข้าถึงสัจธรรมแล้วก็มองเห็นมนุษย์ที่อื่น ที่ยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสและความทุกข์ก็เกิดความกรุณาดังนั้นท่านที่เข้าถึงความจริงสูงสุดมีปัญญาสูงสุดแล้วก็เลยมีกรุณาสูงสุดด้วยทีนี้กรุณาที่เกิดสูงสุดนี่ก็เท่ากับมาเป็นตัวนำทางหรือว่าเป็นตัวปัจจัยอยู่ในตัวเองว่าทำให้การบังคับเป็นไปไม่ได้ใช่ห ทั้งได้หลักการโดยธรรมชาติปัญญาก็บังคับไม่ได้แล้วท่านผู้ที่จะเข้าถึงความจริงเองมีปัญญาแล้วอยากจะให้ผู้อื่นมีปัญญาด้วยท่านก็มีกรุณาสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นบังคับเขาได้อย่างไรก็ต้องประพฤติต่อเขาโดยดีโดยที่ว่าเออไปช่วยทํำยังไงจะให้เขาได้เรียนรู้ได้ฝึกตนได้มีปัญญาขึ้นก็เลยไปเที่ยวแนะนําสั่งสอนด้วยเมตตาการุณานั้นก็เลยเป็นการยานามิตร นี่ทีนี้คนเขาอยู่ในภาวะที่เขายังไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็มีสติปัญญามีอินทรีย์ต่างๆกันมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆกันเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะวิธีปฏิบัติที่สำคัญก็คือว่าต้องยอมรับความแตกต่างหลกหลายหลากหลายของมนุษย์เหล่านั้นนะแล้วก็โดยทั่วไปก็ต้องไปพบกับเขาที่จุดที่เขายืนอยู่ จะไปเรียกร้องจะไปบังคับแห้เขากระโดดมาหาตัวก็ทําไม่ได้เนี่ยถ้าสามารถมากก็สอนให้เขาเกิดความรู้เข้าใจถ้าเขามีปัญญาดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วศักยภาพสูงเรียกว่ามีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยก็แสดงทำให้เขาเกิดความเข้าใจได้อย่างที่ต้องการได้เลยแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นต่อความสามารถเขาผู้สอนเองด้วย เนี่ยความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้มันก็มาขึ้นต่อผู้สอนเองอีกถ้าผู้สอนมีปัญญาเข้าใจความจรงิงแต่ว่าความสามารถในการสอนน้อยทําอย่างไรก็ต้องมีวิธีปฏิบัติมากมายแต่รวมแล้วหลักการก็คือว่าต้องการช่วยให้เขาเนี่ยฝึกฝนพัฒนาตนขึ้นมาแล้วก็จุดหมายก็คือให้เขาเข้าถึงความจริงด้วยปัญญา <c oughs> เช่นเดียวกับที่ท่านผู้ไปสอนเขานั้นได้ถึงแล้ว พร้อมกันนั้นก็ต้องเข้าไปสัมพัสด้วยเมตตากรุณาไปช่วยเหลือเขาแล้วต้องอดทนต้องพยายามค่อยๆแนะค่อยๆนาตามอินทรีย์ของเขาบางทีเขาอินทรีย์ไม่พร้อมอย่างพระพุทธเจ้าไปสอนพระองค์ก็ต้องรอให้อินทรีย์เขาสุกงอมบางทีเขาอินทรีย์เขายังไม่ยอมสุกงอมพระองค์ต้องหาวิธีการจะเรียกว่าเทคนิคก็ได้เพื่อจะให้เขาเนี่ย ได้บ่ม see, อนินทรีย์นะฮะมีวิธีปฏิบัติพื่บ่มอินทรีย์ให้เขางอมและจึงจะได้สามารถสอนสิ่งที่ต้องการได้ดังนั้นเรื่องการที่จะไปสอนผู้อื่นนี่เลยเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินเป็นเรื่องที่จะต้องมีวิธีการมากมายนะต้องทั้งคุณสมบัติเขาผู้สอนเองด้วยต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาความสามารถในการสอนทั้งรู้จักใช้วิธีการสอนต้องรู้จักตัวผู้ที่ เราจะไปสอนเขาแค่ไหนเพลงไรเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นด้านหนึ่งของพระพุทธคุณที่ว่าพระพุทธเจ้านอกจากตรัสรู้สัจธรรมแล้วด้วยพระองค์เองก็ยังมีความสามารถในการสอนด้วยแต่ว่าจุดที่ต้องการพูดในวันนี้ก็คือที่ว่าพระองค์สอนพุทธศาสนาในถ้มกลาง สภาพแวดล้อมนะซึ่งสมัยก่อนก็คือว่าอินเดียที่อยู่ใต้ทิพษษพนศาสนาพราหมณ์เขามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรพระพุทธเจ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นทรงเห็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็จะต้องไปเกี่ยวข้องทั้งตัวคนและก็ตัวสภาพแวดล้อมของเขาเพราะองค์จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแล้วก็ในเมื่อไม่ใช้วิธีบังคับและไปพบกับเขานั้จุดที่เขายืนอยู่นะ ก็ต้องยอมรับเขาตามที่เป็นจริงอันนี้ก็การปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ก็เลยเกิดเป็นวิธีการขึ้นมากลายว่าอ้าวพระพุทธเจ้าจะทรงสอนกระทั่งพระภิกษุว่าให้ปฏิบัติหรือสอนประชาชนอย่างไรที่เขามีเครื่องพิธีกรรมบ้างเรื่องของความเชื่อเทพเจ้าเทวดามีการบูชามีการเส้นสวงอะไรต่างๆแล้วนี้ พรงจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนีโดยที่ว่าไม่เสียหลักการกับพุทธศาสนาด้วยยังรักษาหลักการพุทธศาสนาไว้ได้พร้อมกันนั้นก็ยังจะเป็นจุดเชื่อมต่อเพื่อ น, นําเขาเข้าสู่พุทธศาสนาหรือว่าเพื่อดึงเขาให้พัฒนาตัวเขาได้ยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นจุดที่สําคัญทีนี้พอดีว่าบทสวดในวันนี้เป็นบทสวดประเภทอนุโมทนาเนีย ได้เคยบอกไว้แล้วว่าบทสวดวันศุกร์ในสำนักเนี่ยจัดไว้เป็นประเภทบทอนุโมทนาก็อวยชัยให้พรกก่ญาติโยมในบรรดาบทอนุโมทนาเหล่านี้ก็มีบางบทที่เป็นบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทวดามีการอุทิศกุศลให้แก่เทวดาแม่แต่พูดถึงเทวดาที่มาคุ้มครองหมู่มนุษย์อะไรต่างๆด้วยบางบทนี่จะเป็นเฉียดเฉียดไปถ้าไม่พิจารณาให้ดีและาไม่รู้หลักการของพุทธศาสนาชัดเจน คล้ายๆกับเอ๊ะนี่คล้ายๆจะให้ชาวบ้านไปบูชาเส้นสูงเทวดาด้วยหรืออะไรทำนองเนี้ยถ้าเราไม่รู้หลักการไว้ก่อนในมาอ่านบทอนโมโทนาเรานี้บางทีชักจะสับสนเหมือนกันคล้ายๆว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าชักเฉียดเฉียดก็ไปเลยเฉียดการเส้นสูงบูชาเข้าไปนั่นก็ตอนนี้แหละก็เลยเห็นว่าเออในเมื่อวันนี้เรามีบทสวดอนุโมทนาที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเทวดาด้วยแล้วเลยคิดว่าจะแปลบทสวด สำหรับวันนี้ทั้งหมดแต่ว่าจะให้ตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษสัตบทที่เกี่ยวข้องกับเทวดานั้นแล้วเราก็มาโยงกับเรื่องที่เคยพูดไปแล้วที่ว่าพุทธศาสนานั้นไปเกี่ยวข้องกับประชาชนที่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมในความเชื่อทางศาสนาพิธีกรรมวัตถุต่างๆเหล่านั้นตามที่เขาเป็นแล้วพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างไรแล้วทําไงจะดํารงรักษาหลักการพุทธศาสนาไว้ หรือแม้แต่จะใช้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นสื่อเพื่อจะค่อยๆนำเขาขึ้นมาสู่ความดีงามที่สูงขึ้นไปคือให้เขาจเจริญในายศิกขาสู่ศีลสมาธิปัญญาให้จเจริญขึ้นในพฤติกรรมจิตใจและปัญญานะตอนนี้ก็พูดนำว่าอย่างนี้เพื่อจะได้เป็นข้อสังเกตแล้วเราก็มาดูบทสวนมนกันต่อไปทีนี้บทต่อไปเนี่ย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดาชัดมากเทวตาทิสสะทกินานุโมธนาคาถาหนึ่งแล้วนะแล้วก็บทถัดไปเทวตาพิสัมมันตนาคาถาก็เกี่ยวกับเทวดาสองบทนี้เพราะเหตุที่เกี่ยวกับเทวดาเนี่ยเวลาไปสวดก็เลยสวดต่อไปเลยนีพราะนั้นพอขึ้นบทแรกอคัสยัสมิงปะเทสเกเปติ พอจบสถาพธานิปัสสติก็ต่อยานีธภูตานี้เลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องให้คนน้าขึ้นใหม่ลักษณะที่ชัดก็คือสองบทที่เกี่ยวข้องกับเทวดานี่เทวตาธิสะทักชินานุโมธนาคาถาคาถาอนุโมทนาทักสินาแปลว่าทานที่ถวายโดยเทวตาทิษสะโดยอุทิศ ต, ต่อเทวดานี่ถวายทานอุทิศเทวดา ยัสมิงประเทเสกับเปติวาสังปันฑิตชาติโยท่านผู้มีชาติแห่งบัณฑิตหมายความว่าคนที่เป็นบัณฑิตนั่นเองจะไปอยู่ในที่ใดก็ตามศีละวันเตตโภเชตวาสัญญเตพระมจาริโนก็ให้ท่านผู้มีศีลผู้สํารวมผู้เป็นพระมจารีในที่นั้นได้บริโภคหมายความว่าก็เลี้ยงดูนั่นเอง เราเรียงดูถวายพระตาหารนี่เอาแล้วนะยาตัดทเทวตาอาสุงและในที่นั้นมีเทวดาเหล่าใดอยู่หรือเทวดาเหล่าใดอยู่ในที่นั้นตาสังทักคินามทักินามาทิเสก็พึง่งผุทิศทักสินาเพื่อเทวดาเหล่านั้นด้วย เ, เติมเข้าไปก็ได้นะหมายว่านอกจากวัถวายทานแก่ ท่านผู้มีศีลแล้วก็ยังไปควรให้ทักษินาแกเทวดาเหล่านั้นด้วยตาปูชิตาปูเชียติเทวดาเหล่านั้นได้รับการบูชาแล้วก็จะบูชาตอบพราะนั้นมานิตามานายันติ น, นังได้รับการนับถือแล้วก็จะนับถือตอบแทนด้วยตะโตนังอนุกรรมปันติระดับนั้นเทวดาทั้งหลายก็จะอนุเคราะห์ เกื้อกูลหรือเกื้อหนุนบุคคล น, นั้นคือท่านที่ไปบูชาพิธี่ไปอุทิกุศลให้มาตาปุตตังวะโอรสังประดุษมารดาที่อนุเคราะห์บุตรผู้เกิดจากกกวันนั้นผู้เกิดจากตนนั่นเองเหมือนประเดียบประดุดดังมารดาผู้ที่อนุเคราะห์บุตรของตนเทวตานุ ก, กรรมปิโตโโปโส บุคคลที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วสถาพัฒนานิปัสติย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามทุกเมื่อเอาหน้านี้จบไปหนึ่งและแล้วก็ต่อด้วยต่อไปว่าเทวดาพิส ม, มัมจันทขาถาคาถาที่กล่าวเรียกเทวดาก็ได้นะหรือว่า <c oughs> กล่าวพูดกับเทวดาหรือปรึกษากับเทวดาก็คือคล้ายๆทํานองว่า หารือหรือพูดง่ายๆก็คือสอนนั่นแหละนี่ญานีตะปูตานิสมาคตานินน <ะ S 1> บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดมาประชุมกันในที่นี้ภุมมานิวาญานิวะอันตลิกเถจะเป็นเหล่าสัตว์ที่เป็นภาคพื้นดินหรือเป็นผู้อยู่ในท้องฟ้าเวหาก็ตามนี่ในที่นี้ก็มุ่งที่พบเทวดานั่นแหลนะ สัพเพวผูตาสุมาาพวันตุขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงจงเป็นผู้มีจิตใจดีงามจิตใจดีงามก็แปลว่าดีใจก็ได้ใจดีหรือดีใจฉะั้เราคิดดูสิภาษาไทยใจดีก็ดีใจนะมันแปลกลับกันนะใจดีมันความหมายอย่างหนึ่งดีใจอย่างหนึ่งแต่ว่าในที่นี้สุมนานี่แปลทั้งได้ทั้งใจดีและดีใจว่าจงมีใจดีจงมีจงดีใจว่างั้นนะ นะอโถปิสักกัจจสุนันตุภาสิตังแลทั้งขอจงสดับฟังพาสิทโดยเคารพเอาละสี่นี่บอกแล้วบอกเทวาดาและนะนะสุภาษิตังกินจีพิโบพเนมุข้าพเจ้าทั้งหลายจะกล่าวสุภาสิตสักนิดหน่อยกับท่านทั้งหลายว่านะสักนิดหน่อยไม่ได้กล่าวมากหรอกนะสุภาษิตจะกล่าวสุภาสิทธ ปุญเยสตุปปาทะกะรังอปาปังโยงมาจากคําสุภาษิจาตจะกล่าวคําสุภาษิตสักนิดหน่อยกับท่านทั้งหลายอันเป็นถ้อยคําที่เตือนสติในบุญทั้งหลายเตือนสติในบุญหมายความว่าเตือนสติให้ระลึกถึงบุญความดีใช่ไหม แต่จะไปได้ไปทำความดีอาปาปังอันไม่เป็นสิ่งเสียหายดไม่มีสิ่งชั่วร้ายธรรมูปเทสังนะจะกล่าวก็กล่าวนั่นแหละยังไม่จบถ้อยคำที่แสดงซึ่งธรรมะนะอนุการการนังแก ท่านทั้งหลายแก่ชนทั้งหลายก็กรแก่พวกนั่นแหละสาวเหาสาัต ว, ว์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้กระทาการอนุเคราะห์นะก็หมายความว่ามองเทวดาในแะง่ว่าโดยประเพณีก็ถือว่าเทวดานี้เป็นผู้ที่เหนือกว่าหรือว่ามีอํานาจมีกําลังมากกว่ามนุษย์มีหนา้น า, นาที่ที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ก็หวังความช่วยเหลือปัสไหมิภูตานิสเมนตุสัพเพ เพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงยังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้สงบเนะมตังการุธามารุษยาประชายะท่านทั้งหลายนี่พูดกับเทวดาแล้วท่านทั้งหลายจงกระทำเมตตาแก่หมู่ชาวมนุษย์ทั้งหลายเนะี่ยเอาแล้วนะบอกนี่จะว่าไปก็เท่ากับสอนเทวดาดินะบอกว่าเนี่ย ให้คิดเกื้อกูลให้มีเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปคิดไลยต่อเขาเลยนะนะท่านทั้งหลายจงกระทำเมตตาในหมู่ประชาที่เป็นมนุษย์ภูเตสุภาลหังกัตพัติกายะที่วาจรัตโตจารันติเยพลิงพวกเรามนุษย์ทั้งหลายเราใดนำเอาพระีกรรมนี่แหละเครื่องบูชามา ถวายแก่พวกเราพูดคือก็เหล่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกเทพเทวดาเหล่านีย้ยังเอาจริงเอาจังกันอยู่เรื่อยๆทั้งกลางวันกลางคื น, นปัจโจปการังอภิกรธรรมานาเขาทั้งหลายก็ปรารถนะาความช่วยเหลือตอบแทนว่าไงนะเนี่ยในทีามนุษย์ทั้งหลายเขก็หวังตอบแทนให้ช่วยเขานะเตโขมนุษสาตนุการณุภา ว, วามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะ เขาเป็นผู้มีอนุภาพน้อยว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจมีอนุภาพมีกำลังน้อยภูตาวิเศเสะมหิทธิกาจะส่วนท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจมากเป็นพิเศษว่างอติสมานามนุเชหิยาตาถึงท่านทั้งหลายจะไม่ปรากฏตัวแต่มนุษย์ทั้งหลายเขาก็รู้จักกันดี รสมาหเนรัคธตาอัปมัตตาเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทช่วยรักษามนุษย์เหล่านั้นด้วยเถิดว่าเนี่ยเอาลองมองดูสิว่าเนี่ยคาถานเนียแสดงความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับเรื่องเทวดาอย่างไรในขณะที่ในอินเดียชมุทวีปเนี่ยเขานับถือเทวดากันอยู่ใช่ไหหวังความช่วยเหลืออะไรต่าง ๆ, ๆนี่น มองได้หลายอย่างใช่ไหมท่านมองอย่างไรท่านโอรอดมองว่าม น, มนุษย์มนุษย์บางคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก็พยายามที่จะพึ่งเทวดาเรื่อยไปถ้าเกิดท่านเห็นก็อาจจะช่วยมนุษย์เหล่านั้นได้แล้วก็มีมนุษย์บางพวกที่สามารถจะช่วยตัวเองได้ท่านอาจจะไม่ไม่ไปต้องช่วยหรือว่าอาจจะคอยดูแลของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้น อ่าแล้วท่านอื่นมีความเห็นว่าอย่างไงท่านมหาวิชาญออกความเห็นด้วยกันได้นว่าไงนะไม่จะเป็นจะต้องท่านนวมกะเท่านั้นก็คงจะมองแนวรุศลักที่ว่าแม่เทเทวราเองเนี่ยก็คงจาต้องถือคุณธรรมเป็นใหญ่ในขณะที่ผู้คนด้อยังอาจจะได้นเทเทวราเราก็ต้องเคารพตานอ่าอาทีนี้ท่านอีกสองท่านมีความเห็นอะไรไมฮะ หรือผู้ฝึกตนด้วยปัญญานะครับแม้แเทวาดาก็ต้องได้ความคุ้มครองเอ้าท่านสุรเดชว่างไงไมันอยู่ในความสุขหรือว่าชัดไปเลยชัดแล้วเอ้านั่นจะชัดแล้วจะจับสาระว่ายังไงล่ะก็เอ่อเทวดาเนี่ยก็มีหน้าที่ในส่วนที่จะต้องทำตามกฎของธรรมชาติก็คือเมื่อ มนุษย์เนี่ยบูชาเทวดาดวเพื่อเครื่องสักการะ<ม>นะครับ เ, เทวดาเนี่ยก็ควรจะต้องตระหนักแล้วก็ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ<ม>ก็คือามหน้าที่ของตัวเองด้วยก็คุคณวรจะต้องตอบแทนด้วยการให้ความคุ้มครองดูแลขเขาอ้าวจับสาระสำคัญของคาถานี้นะก็คือเป็นคาถาที่พุทธศาสนาเนี่ยพูดกับเทวดาใช่ห ผูกเทวดาซึ่งเป็นตัวแทนของความคิดความเชื่อในศาสนากรรมใช่ไหมพระศาสนาพูดกัฑเทวดานะตอนนี้มามาพระพุทธเจ้าพูดกัฑเทวดาเอางันเถิดหรือพวกเราก็ได้ชาวพูดเนี่ยพูดกัฑเทวดาแต่ว่าโดยเฉพาะก็คือพระซึ่งทำหน้าที่เน่ยเป็นผู้สอนธรรมะพูดกัฑเทวดาพูดกัฑเทวดาโดยเอาหลักการหรือพื้นฐาน ประเพณีเดิมที่เชื่อกันมาในสังคมของเขานั่นแหละมาเป็นหลักมากําหนดหน้าที่ของเทวดาให้ชัดเพราะในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาที่เป็นมาตรเดิมนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์นั้นไปหวังความช่วยเหลือจากเทวดาไปอ่อนวอนไปบง่งสงอะไรต่างๆใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เลยเทวดาก็ช่วยเหลือมนุษย์เพราะมีอานาจมากแต่เท่าที่เป็นมานั้นไม่แน่นะ เทวดาอาจจะไม่ช่วยก็ได้เทวดาต้องรอเครื่อเส้นใช่ไหมดัง น, นั้นพุทธศาสนาก็เข้ามาใช้ฐานความเชื่อเดิมที่ว่าความสัมพันธ์ก็คือมนุษย์ได้ด้อยกว่าอ่อนแอ ก, กว่าดัง น, นั้นก็เทวดามีอำ น, นาจที่จะช่วยเหลือก็มาคล้ายๆกำหนดหน้าที่ให้ชัดเลยยกขึ้นมาเป็นหน้าที่เลยว่าเอาน้าท่านทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เขาอ่อนแอ ก, กับท่านเขาอุตส่าห์มาพยายามนะ่ยมา เส้นสวงบูชาอะไรต่างๆท่านเนี่ยก็หวังความช่วยเหลือจากท่านเพะฉะนั้นขอให้ท่านเนี่ยเอาใจใส่อย่าได้ประมาทจงช่วยรักษาเขาด้วยคห้ๆว่ามากำหนดให้ชัดเลยว่าเป็นหน้าที่ของเทวดาจะต้องคอยดูแลใจใส่ช่วยถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่า มันเป็นการยกระดับขึ้นใหม่อันหนึ่งอย่างน้อยก็ให้ขอบเขตมันชัดขึ้นมาท่าทีนี้ก็คือการที่มีเมตตาต่อกันระหว่างมนุษย์กับเทวดาแต่ว่าพุทธศาสนาไม่ได้พูดเฉพาะกับกมนุษย์เท่านั้นพูดกับเทวดาด้วยและการที่พูดกับเทวดาอย่างนี้แหละก็คือการที่ทําให้มนุษย์ได้มองเทวดาใหม่ด้วยใช่ไหมเพราะไม่ใช่สอนมนุษย์จะมองอย่างไรเท่านั้นมนุษย์อาจจะไม่ชัดเพราไปมองแต่แน่งบทบาทของตนเองทีนี้พอไปสอนเทวดามนุษย์ก็มอง บทบาทเทวดาชัดขึ้นมาด้วยว่าเทวดาคุณทํำยังไงเพราะนั้นบทนี้อาจจะแปลอีกทีหนึ่งอาจจะช่วยชัดขึ้นนะอันนี้อาจจะแปลเหล่าสัตว์เมื่อกี้เนี่ยที่จริงก็มุ่งหมายที่พวกเราผิดผีสางเทวดาอะไรต่างๆเหล่านี้เราสัตว์เราพูดผีสางเทวดาทั้งหลายเหล่าใดที่มาประชุมกันในที่นี้ จะเป็นผู้อยู่ในภาคพื้นดินหรืออยู่ในท้องฟ้าวิหาก็ตามขอให้เทพผีสางเทวดาเหล่านั้นทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีดีใจและทั้งจงสดับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวโดยเคารพข้าพเจ้าจะกล่าวคำสุภาษิตกับท่านสักนิดหน่อย ห้อยคำเหล่านั้นจะเป็นคำที่เตือนสติในความดีไม่มีสิ่งชั่วร้ายเสียหายเป็นคำแสดงหลักธรรมะแก่ผู้มีหน้าที่ที่จะเกื้อหนุนคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงคำเหล่านั้นอขอไปจะทำให้ผีสางเทวดาเทพเจ้าทั้งหลายมีใจสงบ ขอให้เราผีสางเทพเจ้าทั้งหลายจงกระทำเมตตาในหมู่ประชาชนามนุษย์หรือในหมู่ประชาชนชาวมนุษย์ผู้นําเอาพรีกรรมสิ่งเส้นสวงมาแสดงออกต่อผีสางเทวดาทั้งหลายอย่างเอาจริงเอาจังทั้งกลางวันกลางคืน โดยที่เขาเหล่านั้นก็มุ่งหวังการช่วยเหลือตอบแทนบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อ่อนแอมีอนุภาพน้อยส่วนท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้ผีสางเทวดานั้นมีอิทธิฤทธิ์มากมีอำนาจยิ่งใหญ่เป็นพิเศษแม้จะไม่ปรากฏตัวแต่หมู่มนุษย์ทั้งหลายก็รู้จักกัน เพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทจงรักษามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเถิดนะว่าไง <c oughs> อันนี้นะะนี้เป็นสูตรของเรือพอนี่แหละสูตรแบบนี้มีเช่นอย่างในมหาสมัยสูตรจะเป็นธํานองนี้สูตรนั้นยาวมากมาในทีขณิกายเลยยาวมากเลย แต่จริงจริตเนี่ยมนอู่ที่เรื่องของการใช้หลักเมตตาตลอดใช้หลักเมตตานั่นแหละแต่ว่าถาัาไม่ดีในช่วงหลังที่แสดงถึงหลักความจริงว่าเทวดามีนิมากกว่ามนุษย์เนี่ยแล้วก<ห>็รู้ัใช้ค่สื่อเทวดาพราะฉะนความสัมพันธ์ในตรงนั้นก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษนะภัยนะ<ห>นี่กำลังพูดถึงว่าสอนเทวดานะัที่กำลังพูดกับเทวดานะ พูดสอเทวดาว่าท่านทั้งหลายนะมนุษย์เนี่ยเขาพากันเอาเครื่องเส้นสวงพลีกรรมมามาบูชาท่านอยู่ทุกวันทุกคืนเนี่ยเขาเอาใจใส่ทํากันอย่างจริงจังเนี่ยนะเขามีกําลังน้อยอ่อนแอกับท่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยจงเอาใจใส่เขานะรักษาเขาคือคือพูดกับเทวดาเนะี่ยไม่ได้พูดกับมนุษย์ใช่ไหมให้เทวดาสํานึกว่าเนี่ยมนุษย์เขาอุตส่าห์เอา เครื่องเส้นสวงบูชามากราบไหว้กันเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนนี่คือพูดถึงสภาพที่เป็นอยู่ที่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเขาอุตส่าห์เอาใจใส่มาทําอย่างเนี้เพราะเขาออดแอกว่าท่านแล้วเขามาเนี่เขาก็หวังฝากช่วยเหลือตอบแทนจากท่านเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยจงได้เอาใจใส่รักษาเขาด้วยฉะนั้นนี่เป็นการพูดถึงมาสอนอย่างสอนผู้ใหญ่ไงใช่ไหม เนี่ยคนทั้งหลายเหล่านั้นนั่นที่เขามาคอยเอาคอยมาบูชาคารพท่านเนี่ยท่านต้องนึกถึงเขาเอาใจใส่เขานะใช่ไหมไม่ไม่ใช่ได้ไปหมายถึงไปสนับสนุนอะไรใช่ไหมลยอ่าคงจะเข้าใจเนียเรื่องอนี้แต่กรงนี้ท่านตัดมาตอนเดียวอาตมายังไม่ได้ไปสอบดูเข้าใจว่าจะเป็นพวก เป็นคำอาจจะเป็นคํากล่าวของเทวดาด้วยกันก็ได้แต่เป็นเทวดาที่นับถือพุทธศาสนานะคืออย่างในมหาสมยสูตรเนี่ยทั้งสูตรเลยเนี่ยเป็นสูตรที่เทวดากล่าวนะเป็นของพวกเท้าจัตุโล ก, ก บ, บาล น, นะคือคนอินเดียเขานับถือเท้าจัตุโล ก, ก บ, บาแลแปลว่าเทวดาที่รักษาทั้งสี่ทิศนะ ทีนี้ถ้าจะตุโรก บ, บาลเนี่ยก็มาปรารบคือเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าตามเรื่องในพระสูตว่าวันหนึ่งได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กลาบทูลบอกว่าเนี่ยพระภิกษุเป็นต้นหรือใครก็ตามเนี่ยก็หมายถึงว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอุบาสุบาสิกาตั้งแต่พระเป็นต้นไปเนี่ย ไปอยู่ในที่ต่างๆอาจจะไปอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยในสถานที่เหล่านั้นก็จะมีพวกพวกพูดผีสางเทวดาที่อยู่ในสังกัดของชาวจตุโล ก, กบาลเป็นยักษ์ม้องเป็นกุมพันม้องเป็นเทวดาอะไรต่างๆนะพวกเนี้ก็อาจจะยังไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้จักธรรมะ ซึ่งต่างกับตัวเท้าจัตุรุลก บ, บาลเองซึ่งเดียเ๋ยวนี้มาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วนับถือพุทธศาสนารู้ธรรมะแต่ลูกน้องเหล่านั้นเน่ยเขาอาจจะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาบางทีเขาจะมาแกล้งเขาจะมาทําอะไรนีทีนี้พวกข้าพเจ้านี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยเอาคํานี้มากล่าวไว้ว่าถ้าหากว่า พระสงฆ์หรือพุทธศาสนิกนชนเนี่ยได้กล่าวคํานี้ซึ่งเป็นคํากล่าวออกมาจากหุ่หน้าของเขาเนี่ยพวกผีสางยักษ์อะไรต่างๆเหล่านั้นอาม น, นุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนก็จะได้มีจิตเป็นมิตรเพราะว่าได้คําฟังคําหุ่หน้าเหล่านี้ใช่มเรื่องก่อนเนีเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆว่าเอาคําของตอนเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นหุ่หน้าเนี่ยเอามาถวายพระพุทธเจ้าไวา้ แล้วก็ทีนี้ก็พระชาวพุทธก็จะเอาคําเหล่านี้ไปกล่าวที่ไหนก็ตามพวกผีสางเทวดาก็ได้ยินได้ฟังว่าโอ้หน้าของเราว่าอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องตั้งใจดีเป็นมิตรต่อชาวพุทธจอพวกคนเหล่านี้ทั้งหลายนเะนี่ยสาระแบบเดียวกันอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือการที่พุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปสัมพันธ์กับความเชื่อถือเก่าใช่ไหม เราต้องยอมรับความจริงว่าคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเข้ามานับถือพุทธศาสนาแรกเริ่มยังไม่เข้าใจอะไรหรือมีความเข้าใจบ้างแต่ความหวัดหวันต่อสิ่งที่เคยเชื่อถือหรือที่สังคมก็เชื่อถือมีอํานาจเล่นรับต่างๆเนี่ยมันยังคลองใจตลอดเวลาที่เคยพูดไว้ว่าความหวาดหวันมันมีฉนั้นพุทธศาสนาก็เอาพวกนี้เข้ามาอยู่ในร่ม ของธรรมะของพุทธศาสนาให้หมดให้มาเป็นมิตรนะอย่างน้อยก็ทําให้ชาวพุทธเนี่ยไม่ต้องไปหวั่นหวั่นสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าปิดช่องความหวั่นใจซะเสร็จแล้วจะได้ไม่ต้องกังวลในสิ่งเหล่านั้นจะได้หันมาศึกษาธรรมะพิจารณาฟังธรรมะโดยสมบูรณ์เลยเห็นไหมคือถ้ามังนงั้นมันยังกำกำกึก่งกึ่งไอ้ใจหนึ่งก็จะศึกษาในพุทธศาสนาจะเรียนรู้ฝึกผลพัฒนาตน ปฏิบัติตามคำสอนวิธีใจหนึ่งก็ยังหวั่นว่าไอ้เทวดาทั้งหลายพูดผีสางยักษ์อมนุษย์มันจะมาลังคาอย่างไงใช่ไหมกำกับเก่งๆเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นใหม่ใหญ่บางทีออกไปสิอีกนี้ก็เป็นอันวันเริ่มตั้งแต่หมดทุกชั้นเลยเดียวนี้นะตั้งแต่พระพรหมลง ม, มาก็มานับถือพระพุทธเจ้าหมดมากราบมาไว้พระอินทร์ก็มาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า เวลาพระพุทธเจ้าประชวนี่พระอินทร์ขอประธานภัยเถอะมาเท ก, ะเ ร, กระถนะเพราะเคารพพระพุทธเจ้ามากนะเทกระถนมุดคูดอะ่ะนะแล้วก็เทวดาทั้งหลายก็หมดอะ่ะเพราะว่าพระอินทร์นี่เป็นเทวราชาเป็นราช า, าเทพทั้งหลายใช่แล้วพรหมก็เป็นสูงสุดแบบนี้นะทีนี้ก็มา พวกเท้าเจตุโล ก, ก บ, บาล น, นี้ระดับต่ำลงมาแล้วใช่ไหมระดับที่ใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตลอดเวลาอ่า ก, ก็เท้าเจตุเลกบาลก็มานับถือพระพุทธเจ้าอีกใช่ไหมและยังแถมมากล่าวคํานี้ไว้ที่พระพุทธเจ้ามาแสดงความเคารพมาประชุมพร้อมกันอ่แล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นห่วงพุทธศาสนิกชนอ่มาถวายคําไว้ว่าเนี่ยคำเราเนี้ยเอาไปพูดว่าหัวหน้าก็พูดไปอย่างงี้นะ ตกลงว่าครอบคลุมหมดใช่ไหมให้ชาวพุทธสบายใจนะเวลาสวดมนต์ฟังธรรมใจอาจจะยังวันนี้ก็เชิญเทวดามาฟังธรรมด้วยกันนะเดี๋ยวนี้เป็นพวกเดียวกันนะนะใจก็อุ่นว่าโอ้เทวดายังเป็นพวกเราด้วยกันมานั่งฟังธรรมอยู่ด้วยกันนี้ใช่ไหมสบายใจหมดทีนี้ไม่ต้องไปห่วงไปกังวลละต่ อ, อไปนี้ใจจะใจมุ่งมั่นมีสมาธิตั้งใจสดับฟังธรรมปฏิบัติธรรมจริงจั ง, จงเต็มทีอนะ่นี นี่บางทีเราไปมองว่าเ อ, อพระสูตรเหล่านี้คงไม่ใช่ของพุทธศาสนานว่าเป็นคําสอนนอกศาสนาเข้ามาว่าพระไตรปิฎกนี่อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามากเนี่ยบางทีเป็นเพราะว่าจับจุ ด, ดพระสูตรที่เข้ามาในพระไตรปิฎกย่อมมีจุดมุ่หมายต่างๆกันแต่อันนี้อันหนึ่งที่สําคัญก็คือ เราต้องยอมรับความจริงพุทธศาสนาเกิดขึ้นสภาพแวดล้อมอะไรใช่ไหมแล้วจะไปโยงกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรหลักการที่บอกเมื่อกี้ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ถือว่ามนุษย์ต้องพัฒนาฝึกผลตนเองเน่ยหลักการที่มนุษย์จะฝึกฝนพัฒนาตนเองนี้มันจะไปบังคับไม่ได้นี่ต้องไปพบกับเขาจุดที่เขายือนอยู่ยอมรับมนุษย์ตามที่เขาเป็นแต่ว่ายม ยอมรับไม่ใช่ปล่อยอย่างนั้นนะไม่ใช่ยอมรับแล้วก็เลยปล่อยว่าให้อยู่อย่างนั้นยอมรับคือรู้เขาตามที่เขาเป็นแล้วพยายามไปช่วยดึงเขาขึ้นมานี้การที่จะดึงเขาขึ้นมามันก็ต้องนะก็ต้องเริ่มจากจุดที่เขาอยู่นะั่นแหละอย่างน้อยให้เขาเกิดความมั่นใจและเปลี่ยนทัศนคติท่าทีต่อสิ่งที่เขาเคยมีใช่ไหมนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาเรื่องเทวดาเรื่องอะไรก็มันไม่เหมือนของเดิมแล้วอย่างพระสูตร ที่ว่าว่าในเรื่องเทวดาเลยสาระสาคัญมันไม่เหมือนกับของศาสนาพราหมณ์แล้วใช่ไหมถ้าที่ความสัมพันธ์ความรู้สึกอะไรต่างๆมันต่างกันหมดเทวดาของพราหมณ์จปจ้องยกทัพไปรบเก่งกาดแล้วจะยกทัพไปห้ามหันใครใช่ไหมนี่อาวุธนั้นอาวุธนี้มาพอมาเข้ามาในพระสู่พุทธศาสนาเทวดามาประชุมกันมีแต่เรื่องดีนะพูดถึงสิ่งที่ดีงามเรื่องธรรมะเรื่องเมตตา อะไรต่างๆให้ช่วยเหลือกั น, นให้มีจิตใจดีต่อมนุษนะย์นะเน่องที่ว่ามนุษย์นี่เขาอุตส่าห์นี่ว่ า, าตามประเพณีใช่ไหมนีวกว่าตามพื้นฐานเดิอเนี่ยมนุษย์เนี่ยเขาอ่อนแอ ก, กว่านะเขาอุตส่าห์มาพยายามเส้นสวงบูชาหาผลีกรรมมาเส้นสังเวยท่านตลอดทั้งกลางคืนกลางวันเอาใจใส่ตลอดเวลาก็เพราะเขาอ่อนแอ ก, กว่าเขาก็หวังให้ท่านช่วยเหลือตอบแทนเขา เพราะฉะนั้นท่านเนี่ยอย่าได้ประมาทนะเอาใจใส่ช่วยรักษาเขาด้วยเอ้ยอันนี้ก็เทวดาผู้ใหญ่สอนเทวดารุ่นน้องใช่ไหมก็สอนตามหลักธรรมะที่พุทธเจ้าสอนจะว่าไปก็ยืมปากเทวดาพูดอีกทีหนึ่งคล้ายๆธรรมะเอาปากเทวดาด้วยกันไปพูดใช่ไหม <c oughs> เทวดาใหญ่พูดเทวดาน้อยก็ต้องฟังอันนี้เทวดาก็ตามพรหมก็ตามเนี่ย ในที่สุดเรายังกลัวมารนะฮะมาร น, นี่เป็นคู่ต่อสู้เรื่อยเลยกับพวกเทวดาพระพรมอันนี้อย่างจะเห็นได้ชัดก็ตอนพระพุทธเจ้าตรัสสรุนี่ก็เป็นหัวต่อของขวัญศาสาศนาเดิมกับพุทธศาสนาเหมือนกันก็จะมีเรื่องที่เราจะปฏีความเป็นบุคลาธิฐานกันใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าไปประทับนั่งใต้ต้นโพเป็นโพที่มันบรรลังเนี่ยนะ ตอนที่จะตรัสรู้ก็ต้องได้ทรงรบกระมานใช่ต่อสู้กระมานพิชิตมาเพราะมารบอกว่าพระพุทธเจ้าจะพ้นอำนาจเขาซะแล้วไม่พอใจมานี่เป็นพวกปรนิมิตวัสวัสตตีเรียกว่าวัสวัตตีวสวัตตีมารมารผู้ที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปในอำนาจของตนเอง โดยเฉพาะก็อยู่ในชั้นกามาวจรสัตว์ทั้งหลายจะต้องติดอยู่ในกามจะพ้นไปไม่ได้ถ้าพ้นไปก็พ้นอำนาจมารใช่ไหมมารไม่พอใจนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่จะพ้นอำนาจมารโอ้มารยอมไม่ได้ตอนนี้ต้องราวีเต็มที่ใช่ไมไ้มก็ยกทัพมาตามตำนานก็พนนาของทัพมารครั้งนี้ใหญ่หลวงที่สุดเลยทุกชนิดทุกประเภทเลยก็ยกทัพกันมาพอมารมานะครับ ตอนนั้นนะ่ะพวกเทวดาพวกพระพรหมเนี่ยด้วยดีใจว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พากันมาห้อมล้อมเต็มไปหมดเรียลีมาเฝ้าอยนูะ่เต็มหมดเลยครับแน่นเลยนะพอได้ยินว่ามารมาเท่านั้นแหละครับเทวดาพระพรหมนี่นีไปสุดขอบจักรวาลเลยนะมานะมารไม่ได้ละมารี่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะนะมา ว่าเทวดาเระพรมกก็ห น, นี้สุดกู่เลยใช่ไหมเหลือพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่นีนนที่บอกว่าเนี่ยไม่มีใครช่วยแหละเพราะว่าพรมยังหนีเจลอเลิศ เ, เปิดเปผยนี่กองทัพมารนี่มาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าอยู่คนเดียวนี่แหละตอนเป็นพระพิชิตมารใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าก็ชนะมารพร้อมกันเสนามหมดในคืนนั้นก็ตัดสู้เป็นพระพิชิตมาร น, นี่ก็ทราบไปพระทรโลก ป, ปาง มาเลาวิชัยแปลว่าพิชิตมานชนะมารนี่ปางเนี้ยที่ประทับนั่งอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องมีอลายใช้พระคุณพระปัญญาคุณวิสุทธิคุณมหาตุณาคุณชนะมารได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวเทพเทิพรมต่างๆนี่ชนะหมดประเสริฐนะฮะประเด็ที่มีคติเรื่องเล่าเกี่ยวกับพ่ อ, อ, อ, <ะ>อแม่ธรณี ก็ตอนนั้นก็พูดถึงบารมีไงเพื่อจะอ้างบารมีก็ว่าอ้างบารมีที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาใช่ไหมนาทรณีก็เป็นพยานบีบ ม, มวยผลว่าน้ำํำนองท่วมทับมานหมดเลยใช่ไหมว่าความดีที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมานี่ไม่รู้่นเท่าไหร่เลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดถึงเหตุปัจจัยที่สร้างสมความดีเก่าที่ว่าบำเพ็ญมา นะกําลังแห่งความดีที่สร้างมามากมายพิชิตความชั่วร้ายไดนะ้แล้วก็พระพุทธเจ้าของเราก็ชนะเด้พะคุณอย่างเนี้ยโดยไม่ต้องเป็นแบบเทวรูปฮินดูที่จะต้องผาดโผนโจรทยานลุกขึ้นนะนะยกแข่งยกขายกแขนแล้วก็ถืออาวุธมา ก, ม า, กมายมี20มือมีพันมืออะไรต่างๆไม่ต้องวุต ร, รูปของเรา ถาพิชิตมานชนะมารนีสงบที่สุดเลยใช่แล้วก็มีเมตาตากรุณายิ้มแยม้มพร้อมที่จะมีเมตตานะเกื้อนหนุนนะให้ธรรมะความดีงามแก่สัตว์ทั้งหลายตลอดเวลาใช่ไหมนี่นี่ยอดสุดของฤทธิ์ของอำนาจของปานุภาพก็อยู่ที่ความดีงามพระคุณตา่างๆนะะไม่ใช่อยู่ที่การมีโลภโทสะโมหะเต็มที่ นั่นก็เป็นการที่ว่าเปลี่ยนจากอำนาจพลังแห่งกิเลสมาเป็นพลังแห่งคุณธรรมความดีนะนี้ในคาถาที่เราสวดเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงอย่างคาถาที่มีอยู่เช่นว่าผู้ที่พัฒนาตนฝึกตนดีแล้วเนี่ยเทวดาพระพรหมคารุปูชาใช่ไหมนี่จะมีตอบมอีกแต่ในนี้ไม่ไดเอามาเพราะาไม่ได้เป็นคาถาสวดในการอนุโมทนา นะเพราะาไม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าจะไปให้พรหรือว่าจะช่วยเหลือเพราะคาถาที่เกี่ยวกับการที่ช่วยเหลือมนุษย์ใช่ไหมแต่เป็นสอนเทวดาแต่ก็เลยเอามาอยู่ในบทอนุโมทนาด้วยที่จริงน่าจะมารวมด้วยก็ดีที่ว่าพระพุทธเจ้าหรือบุคคลที่ได้ฝึกตนพัฒนาตนดีแล้วแม่เทพลมก็เคารับูชานะว่ามนุษย์นี่ในที่สุดเมื่อฝึกตนแล้วมนุษย์ได้กลับเป็นผู้สูงสุดประเรสริฐวามประเรสริฐก็วัดอยู่ที่คุณความดีความบริสุทธิ์ อย่างที่ว่าที่บอกมนุษย์สภูตังสมพุธทธังอัตฉริยังตังสมาหิตังแล้วก็ว่าไปเยอะแล้วก็เทวาปิดนมสันติ ว, ว่าพระสมพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์นิแหละแต่ว่าพัฒนาหรือฝึกอบรมพระองค์เองแล้วเป็นผู้มีพระฤทธิ์ทัยดีได้อบรมถึงที่แล้วนะ แม่เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการในคาถาอื่นก็จะมีพระพรหมด้วยทับจริงในคาถาอนุโมทนายังมีบทให้พรที่เราใช้สวดกันตลอดทุกครั้งเลยแต่ไม่เอามารวมด้วยพวเพราะง่ายเกินไปอย่างที่เล่าแลว้วว่าในหนังสือเล่มนี้เกิดจากว่าพระที่เป็นพระเก่าชํานาญสวดอยู่แล้วก็เลยบทง่ายเกินไปไม่เอาเข้ามาต่อไปจะต้องเอาเข้ามาด้วยบทที่สวดที่บ่อยที่สุดก็คือะอะไรอะไรล่ะก็บท พรวัตุศัพท์พมังคลังรักขันตุศัพท์เทวตานะสัพพุท ธ, ธานุภาเวนะสัทธาสดถีพหัจตเตนี่ใช่ไหมพระวัตถุศัพท์พมังคลังขอศัพท์มงคลหรือมงคลทั้งปวงจงมีรักขันตุศัพท์เทวตาขอให้เทวดาทั้งปวงจงรักษาสัพพุท ธ, ธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สถานโสถิพรวรรตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมือ่อแล้วต่อไปคาถาที่สองก็เป็นพระธรรมก็บอกแบบเดียวกันว่าขอสัพพมงคลจงมีขอเทวดาทั้งดวงจงรักษาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมือ่อและวคาถาที่3ก็ขอสัพพมงคลจงมีขอเทพ ด้วยเทวดาทั้งปวงจงรักษาด้วยอนุภาพแห่งผสมทั้งปวงขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดการทุกเมื่ออันนี้สวดทุกครั้งเลยเวลานโมทนาจะได้หินยกเว้นจะบสวสวดบทสัพพโรจะเอาสั้น<ม>เอาแค่มีอยู่แล้วมีเหรอ อ้าวไปไว้ตรงไหนล่ะไหวข้งหลังหมอ๋อไปไว้แล้วผมก็ไม่ได้ดูเพราะว่าเนไม่ได้ใช้สวดสักทีเพราะเห็นว่าง่ายเกินไปก็เลยไม่เอามาสวดอ๋อเอามาใส่ไปแล้วคือที่จริงจะต้องใสห่หมดแหละบทง่ายบทยากอะไรก็ให้มันเต็มซะนี่ก็ไปนว่ามีแล้วก็หมดเรื่องไปนะนี่ก็อันนี้บทสวดเพราะศิษย์ศ์นี่เป็นบทยุคหลังไม่มีในพระไตรปิฎก น, น, นะฮะก็เป็นการที่ว่ามาโยงเชือ่อมต่อจาก ความเชื่อศาสนาเก่าเข้าสู่พุทธศาสนาแต่ว่าต้องระวังให้ดีนะพระยุคหลังบาทีก็ชักเลยเลยไปเหมือนกันเพราะว่า <laughs> ชักจะกลายเป็นชักจะอ้อนวอนกยแล้วนอยนันถ้ายุคเก่าแล้วก็แนวทัศน์นาเนี่ยชัดมาท่าทีตท่อเทว ด, ดาอะไรต่างๆ <laughs> ก็คิดว่าเนี่ยที่พูดมานี่ก็คงจะให้ได้แนวคิดแล้วก็เป็นเครื่องมายืนยันหรือมาย้ำเสริมสิ่งที่พูดไปแล้วเพราะพูดเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะ ท่าที่จะชัดเจนแล้วก็อยากจะพูดต่อไปอีกแต่ในไหนวันนี้มีบทสวดอนุโมทนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยมาแปลซะด้วยญาติธรรมไหมครับญาติธรรมก็ธรรมะต่อญาติครับธรรมะต่อยาต์ตอนนี้มาใช้ผิดใช้เป็นคนไปใช้จนกระทั่งดึงไม่กลับแล้วกูไม่ไหวไปเรียกเป็นค น, นก็เรื่อมาาจากบางสำนักไปใช้ผิดก่อน แล้วก็ใช้ตามกันไปเป็นคนไม่ได้ยาติดธรรมก็ธรรมะต่อญาติธรรมะต่อญาติก็หน้าที่ต่อญาติหมายความว่าการที่เราไปอุทิศกุศลให้ท่านในการทําบุญก็เป็นการทำหน้าที่ต่อญาติใช่ไหมธรรมะต่อญาติทีนี้เดี๋ยวนี้มาเรียกเป็นคนเป็นยาติดธรรมไปเลยยุ่งเลยไปหมดเ ข, เขาเรียกว่าญาติทางธรรมไม่ไงอย่างนั้นไม่เป็นไรสิญาติทางธรรมก็หมดไปแต่เขาเรียกยาติดธรรมเลย ครับคับด้วยด้วยนะครับอันนั้นคือไม่ด้วยแหละต้องเรียกญาติทางธรรมจึงจะถูกแต่ไปเรียกญาติธรรมนี่ไม่ถูกญาติทางธรรมญาติโดยธรรมไม่มีปัญหานี่เป็นภาษาไทยแต่ไปเรียกญาติธรรมนี่ผิดเพราะเอาภาษาบาลีมาใช้ทําให้วิปรัสดไปแต่ญาติดญาติโดยธรรมมันก็เป็นภาษาไทยไปใช่ไหมญาติโดยธรรมญาติทางธรรมแต่ญาติธรรมใช้ไม่ได้ แล้วในวันนี้มีบทสวดอนุโมทนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยมาแปลซ ะ, ะด้วยทีนี้ยังแปลไม่หมดเพราะนั่นก็แปลต่อสนะิบทต่อไปนี่ไม่เกี่ยวกับเทวดาแล้วมันะ้งอันนี้อาธิยสุตรคาถาคาถาว่าด้วยคาถาที่มาในอาธิยสูตรมื่กว่าพระสูตอาธิยสูตรที่ยาวมีร้อยแก้วด้วยตัดออกมาเฉพาะคาถาคาถาในอาธิยสูตร แนวเทสูตรนี่ก็เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยประโยชน์ที่ควรจะถือเอาจากโภคทรัพย์หมายความว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการใช้จ่ายทรัพย์ว่าเรามีทรัพย์แล้วควรจะใช้ประโยชน์อย่างไรนะไม่ใช่มีแล้วก็มีเฉยเฉแล้วเกิดโทษอันนี้นท่านบรรยายไว้จบแล้วท่านก็สรุปคาถาไว้พระพุทธเจ้าตรัสคาถาสรุปค า, า, าถาสรุปนี้ก็ต้องไปดูเนื้อความในร้อยแก้วอีกทีเมื่ออาจจะเพราะคาถาสรุปนี้ก็ไม่ได้ความสมบูรณ์ นั่นก็เป็นการที่ว่ามาพิจารณาตัวเองว่าอ๋อได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไปแล้วเนี่ยมาพิจารณาอย่างเนี้ยคือไม่นานว่าเออเราได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามหลักการแล้วก็พุทธาาตาโภคาภตาภัจจาวิตินาอาบัตถาสุเมนเนี่ยก็พิจารณาแล้วก็ได้เห็นว่าอ้อพุทธาาตาโภคาภตาภัจจา โภคทรัพ์เราก็ได้ใช้มาแล้วพระตาพั จ, จาคนที่ควรเลี้ยงเราก็ได้เลี้ยงแล้ววิตินาอาประทาวสุเมในบรร ด, ดาพยันตรายทั้งหลายเราก็ข้ามพ้นแล้วนี่ด้วยอาศัยทรัพย์ใช้สอยก็ใช้ป้องกันอันตรายต่งตางๆเราก็ข้ามพ้นไปได้ขจัดปัดเป่าภัยอันตรายอุทธาทกิณาทินานาะทักษินาทานคือทานที่ถวายด้วยเชื้อกรรม อุทิศกุศลเลยต่างๆที่มีผลในเบื้องสูงนะหมายความก็เราก็ได้ถวายแล้วหมายความว่าได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นทานที่มีผลในเบื้องสูงอธโถปัญจะผลีกตาอีกทั้งผลีห้าประการเราก็ได้กระทําแล้วผลีหประการท่านสอนไว้แล้วในบทร้อยแก้วผลีหประการมีอะไรบ้างล่ะหนึงยาติผลี แปลว่า ส, สละสงเคราะห์ช่วยเหลือญาตินะความว่าทรัพย์ส่วนหนึ่งจะเตรียมไว้สหรับช่วยเหลือสงเคราะห์กันในหมู่ญาติสองอติติพรีช่วยรับแขกนคนที่รู้จักคุ้นเคยไปมาหาสู่ก็จัดไว้เตรียมไว้แบ่งทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งที่จะได้ต้อนรับขับสู้ปฏิสันทานสาอะไรนะ ุพเพเตพรีทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับนะบิดามดารุปการีชนบนรรพชนล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ก่ท่านสเทวตาพรีนะสีมันต้องราชาพรีก่อนสิราชาพรีราะว่าสละบำรุงพระราชาก็หมายความว่าบำรุงถวายหลวงถวายหลวงหมายความว่าเสียภาษีก่อ ก็จะบำรุงให้ท่านได้มีกำลังมาดูแลรักษาประชาชนนะต่อไปก็5ก็เทวตาพรีนะบำรุงเทวดานะนี่ก็ตามท่ากลางสภาพไปล้อมแบบนั้นนะนี่ก็หมายความว่าขยายการที่จะมาบำรุงให้กว้างออกไปพรีหอย่างเราก็กระทำแล้ว อุปัติตาศีลวันโตสัญญ า, าพาหมจาริโนท่านผู้ทรงศีลผู้สำรวมผู้เป็นพระมารีเราก็อุปถัมภ์บำรุงแล้วยะทัตถังโภคมิชไยะปันดิโตครมาวัสังบัณฑิตจูครองเรือนพึงปรารถนาโพคทรัพ์เพื่อประโยชน์ใดโสเมอัตโทอนุปัตโตประโยชน์นั้นหรือจุดมุ่งหมายนั้นเราก็ได้บรรลุถึงแล้วนี่กระตังอนุนุตาปิยัง การงานการกระทำกรรมอันไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเราก็ได้กระทําแล้วหรือแปลกอย่างว่าเราได้กระทําแต่กรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนนะเอตังอนุสรังมัตโจอริยธรรมเมติโตนโรบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมของอริยเจ้าหรือในอริยธรรมนี่แหละอริยธรรมมางนี้อริยธรมเวแปลวอริยธรรม คนที่ตั้งตนอยู่ในอริยธรรมมาละลึกถึงความดังที่กล่าวมานี้อิเทวนานังประสังสันติย่อมเป็นที่ได้รับการสรรเสริญทั้งในโลกนี้เป็นจัสักเฆประโมทติจากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์เห็นหมหลักธรรมชัดเลยใช่ไหมว่าให้เรารู้จักปฏิบัติต่ตอซับอันนี้คาถานี้จะใช้สวด ในเรื่องเอกับคนตายก็ได้เนี่ยที่จริงจะใช้ในงานวันเกิดก็ได้วันเกิดละที่จริงน่าสวดให้ไม่นานว่าถึงวันเกิดรอบปีหนึ่งนะเออเราได้ใช้จ่ายทรัพย์ระลึกทวนความจําว่าเราได้ใช้จ่ายทรัพย์ตามที่พระเจ้าสอนไว้อย่างนี้อย่างนี้พอระลึกแล้วก็เกิดความปิติอิ่มใจใช่ไหมแต่นี้ท่านไปใช้สวด เพราะมัมีคําว่าอิเทวันังประสังสันติเปตจักสเกปรโมตติด้วยบอกว่าได้รับการสรรเสริญในโลกนี้จากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์ไปเอา้คําว่าจากโลกนี้ไปก็เลยไม่ยอมมาสวดให้คนเป็นไปสวดให้คนตายสันนิษฐานอ้าวแปลอีกทีก็ได้นะเพราะว่า ทรัพสมบัติเราก็ใช้สอให้เป็นประโยชน์แล้วคนที่ควรเลี้ยงดูเราก็ได้เลี้ยงแล้วพยานอันตรายเราก็ได้ป้องกันข้ามพ้นไปได้แล้วทานอุทิศผลที่มีผลในเบื้องสูงเราก็ได้ให้แล้วได้บะเพ็ญแล้วอีกทั้งพระรีห้าประการเราก็ได้กระทาแล้ว ท่านภูมิศีลสำรวมดีเป็นรภมาจารีเราก็ได้อุปถัมภ์บำรุงแล้วบัดดิดคลองเรือนพึงปราถนาโภคาเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราก็ได้บรรลุถึงแล้วอีกทั้งเราก็ได้กระทําแต่กรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนไก่ไข่ใครคนผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมและลึกถึงความดังที่กล่าวมานี้ย่อมได้รับการสรรเสริญ ทางในโลกนี้จากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์นะอย่างน้อยมันก็เกิดปีติแหละใช่ไหมมาสํารวจตัวเองโอ้ถึงวันเกิดทีนึงแล้วเนี่ยเราได้ใช้จ่ายทรัพย์เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้สบายใจอิ่มใจใช่ไหมสำรวจตัวเนี่ยที่จริงต้องสํารวจเออใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่านะีคนที่ควรเลี้ยงเราได้ดวงเดียงดูให้เขาเป็นสุขทั่วหรือเปล่านะีใช่ไหม ใช้ทรัพย์ต้องการภัยอันตรายถูกต้องแล้วเราได้ทําประโยชน์ได้ทำหน้าที่ต่อแผ่นดินเถ้าศีอากรทําหน้าที่ต่อญาติต่อมิตรต่ออะไรต่างๆดีแล้วยังต่อไปก็สุดท้ายวิหารฐานคาถาแปลว่าคาถาในการถวายวัดหรือในการถวายที่อยู่หรือในการให้ที่อยู่ แปลอย่างกว้างวิหาราปรานบริการให้ที่อยู่ในที่นี้ก็ประสงค์ว่าเป็นการถวายที่อยู่กุฏิเสนาสนะตลอดจนสร้างวัดแต่ตามเรื่องมันมาในพระไตรปิฎกในวินัยปิฎกก็คือว่าได้มีเศรษฐีเนี่ยถวายคือเศรษฐีเนี่ยเรื่องราวเล่านิดเดียวนะว่าเศรษฐีมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนานตอนนั้นพระสงฆ์เนี่ย ยังไม่มีกุติที่อยู่นะเพราะว่าพระนี่ถ้าเขาไม่ถวายก็อยู่ไม่ได้เดิมนระุกขมูลเสนาสนางอยู่คนไม้นี่ไม่มีคนไม้ก็อยู่ตามลอมฟังอะไรต่างๆทีนี้เศรษฐีก็มองเห็นว่าเช้าๆในพระก็ออกมาจากที่เหล่านี้ไม่มีกุติที่อยู่ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำไงจะให้พระทรงท่านอยู่กันสะดวกนะท่านจะได้ มีความเป็นอยู่ดีขึ้นสบายขึ้นควาเพ็นสมรธรรมทำหน้าที่ก็มีสปายะขึ้นก็ลเลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจะขอถวายสร้างกุฏิที่อยู่เรียกว่าวิหารวิหารบัดที่อยู่ถวายพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็สรงอนุญาตคือหมายความให้มีเรื่องก่อนว่ามันต้องมาจากความดีของพระที่ทําขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาศรัทธาเอาเขาศรัทธาพระพุทธเจ้าก็อนุญาต นิสิีนี้เลยสร้างวัดถวายสร้างวัดแล้วก็เลยมีคาถานอนุโมทนาว่าอ๋อว่าการที่การสร้างวัดหรือสร้างกุฏิถวายพระเนี่ยควรจะปรารบเหตุผลอันใดและถ้มีประโยชน์อย่างไรด้วยควรสร้างเพื่อเหตุผลวัตถุประสงค์ใดแล้วมีประโยชน์อย่างไรบอกสีตังอุนหังปฏิหันติตโตวาลมิคานิจะบอกว่าที่อยู่หรือกุฏิ อะไรต่างๆเหล่านั้ น, นที่ว่าปฏิย้อมป้องกันความหนาวความร้อนพร้อมทั้งสัตว์ร้ายทั้งหลายนี่ป้องกันเลยนะป้องกันหนาวร้อนสัตว์ร้ายทั้งหลายอีกทั้งเหลือบยุงสิริงสเปจมาเกษตรสิสิเรจารปิวุติโยอีกทั้งเหลือบและยุงทั้งหลายพร้อมทั้งน้ำค้างและ น้ำฝนว่างนะน้ำค้างกับกันได้น้ำฝนกั ก, กันได้ตะโตวาตาตะโปโคโรนอกจากนั้นแล้วยังป้องกันสายลมและแสงแดดที่แผดกล้าอันจะเกิดมีขึ้นมาด้วยว่านะเลนัถันจะสุขัดถันจะชาญิตุงจะวิปัสสิตุง วิหารธานังสังคสสะอเคอัภคังพุทเทวั น, นิตังการถวายที่อยู่เป็นประโยชน์แกต่ตนนะวิหารเรการเย ร, รัมเมก็พึงสร้างกุติวิหารที่อยู่อาศัยอันรื่นรมรัมเมอันรื่นรมวาสเสยธะผูุสุเตแล้วพึงนิมนต์พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นหูสูตร ที่มีความรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอยู่อาศัยในกุฏิวิหารนั้นเตสังอนันจปานจัวัฏฐาเสนาสนานิจจะทัทยะอุชภูเตสุวิปสันเนนเจตสาพึ่งถวายข้าวน้ำผ้า พ้านุ่งห่มพร้อมทั้งเครื่องเสนาสนะทั้งหลายอุชุภูเตสุในท่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้ประพฤติตรงนะผู้ตรงต่อธรรมะวิปสัสสเนนะเจตัสสาด้วยจิตใจที่ผ่องใสเนะตตัดสะธรรมังเทเสติท่านพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็จะแสดงธรรมแก่บุคคล น, นั้น สัพพทุกขาปนูทนังอันเป็นธรรมที่บรรเทาเสียซึ่งความทุกข์ทั้งปวงยังโสธรรมามิทัญญายะซึ่งผู้ถวายทานนั้นได้รู้แล้วปรินิพพานยนาโวกก็จะหมดกิเลสอาสวะปรินิพพานได้แม้ในโลกนี้เนี่ย จะเห็นเลยว่าการถวายสร้างวัดมีเหตุผลอะไรวัตถุประสงค์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมอ้าวแปลซะอีกทีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนนีไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้คำนึงถึงที่ตัดไว้เวลาอนุโมทนาเวลาถวายวัดถวายกุฏิอะไรก็จะใช้บทนอนุโมทนา แต่บางทีพระสวดก็สวดโดยไม่รู้ความหมายก็สวดไปงั้นเองใช่นี้ถ้ารู้ความหมายเนี่ยจะทำให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องว่าเออสร้างวัดแล้วนี่เพื่อใครคนรจะทำยังไงอา้าวแปลซะอีกทีวิหารธานกาถาคาถาว่าด้วยการถวายกุฏิหรือที่อยู่หรือวัดสีตังอุนหังปฏิหันติตโตวาลมิคานิจจะ กุฏิวิหารหรือวัดวารามนั้นย่อมช่วยป้องกันหนาวร้อนกับทั้งสัตว์ร้ายสิริงสเปจม ะ, กะเกษตรสิเรจาปิวุธิโยป้องกันทั้งเลือประยุงทั้งน้ำค้างและน้ำฝนตโตวาตาตโปโคโรสัญชาโตปฏิหันญตินอกจากนั้นยังป้องกัน สายลมและแสงแดดที่แผดกล้าอันเกิดมีขึ้นมาเลนัตถันจะสุขัสถันจะชาญิตุงจะวิปัสสิตุงวิหารรัฐานังสังคสสะอักขังพุทเทหิวา น, นิตังการถวายกุติวิหารที่อยู่อาศัยวัดวารามแก่สงเพื่อการหลีกเล่นเพื่อความสะดวกสบายเพื่อบาเพ็ญฌานและวิปัสสนา อักขังพุเิวั น, นิตังอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศตดสมาหิปันิโตโปโสเพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตสำปัสสังอธรรมตโนเมื่อมองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้จริงแก่ตนวิหาเรเอการเยรัมเมพึงสร้างกุติวิหารที่อยู่อาศัยอรุณลม วาสเยธะพระหุสุเตแล้วก็นิมน์เอาหรือเชื้อเชิญท่านผู้เป็นพหุสูตรผู้รู้ธรรมรู้วิ น, นัยมาอาศัยอยู่ในที่นั้นเตสังอ น, นันจะปานันจะวัถเสนาสนานิจะทะทยอุชุภูเตสุพึ่งถวายหรือให้ข้าวน้ำผ้านุ่งหม่มพร้อมทั้งเครื่องเสนาสนะ แกท่านเหล่านั้นโดยมีใจเลื่อมใสในท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเตตตัศธมังเทเสนติท่านเหล่านั้นก็จะแสดงธรรมสัพพทุก ข, ขาปนูทนังที่บรรเทาเสียซึ่งสัพพทุกข์แกบุคคลผู้ถวายผู้สร้างวัดนั้นยังโสธรรมมิธัญญาะปรินิพพานยนาสโว อันเป็นธรรมที่บุคคลได้สดับรู้เข้าใจแล้วจะได้หมดกิเลสอาสะวะดับเย็นในโลกนี้เอาลนะจบก็แปลว่าหมดแล้ว <c oughs> บทสวดสำหรับวันศุกร์นะดีไหมสุกแปลให้ฟังเ <c oughs> นมะื่อไนเราก็สวดกันไปเรื่อยๆก็ได้แต่ภาษาบาลีพอเป็นธรรมองคร้นี้เราก็ได้รู้ความหมายด้วย <c oughs> ก็คงจะพอแล้ววันนี้แล้วก็ค่อยไปพูดต่อในเรื่องเนื้อหาสาระต่อไปอ๋อโลกบาลนะฮะเอ้าผานยักษ์นี่เป็นชื่อมาเรียกกันน่ะานยักษ์ก็คือมหาสมยสูตรชื่ออันเดียวกันอเียนถามเคยได้ยินคว่าานครับ ผ่านยักษ์ก็หมายความบทกล่าวของยักษ์ผ่านพระก็คากล่าวของพระลแล้วก็มันใช้สูสไหนบเอ <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะผ่านพระนี่ปกติกมนี่ผ่านยักษ์ก็คากล่าวของยักษ์ยักษ์กล่าวยักษ์พูดก็คือยักษ์นี่ก็พวกนี้เช้าจตุโล ก, ก บ, บายสี่มียักษ์เป็นต้นนี่ก็ยักษ์นี่คือว่าคนไทยเนี่ย กลัวยักษ์มากแล้วรู้จักยักษ์มากนี่ยเท้าจัตุโลกบาลอื่นก็ยังไม่เคยรู้จักเท่าไหร่ใช่ไหเพราะฉะนั้นพูดผ่านยักษ์ชัดที่สุดคนไทยรู้จักดีเอออันนี้ไม่ทราบต้องไปคนดูก่อนเคอมีใครพูดเหรอครับเคยเคยเคยมคนพูดและเคยอ่านเจอจริงผ่านพระเยอะแยะไปพุทธเจ้าตัดใช่ไหมไม่รู้กี่สูตรใช่แต่หมายความว่าที่เป็นชื่อเฉพาะ อก่าว่าอย่างตอนการที่สองตอนที่พยายามที่เออเกิดวามาทาให้คนชนมนใหม่เนี่ยนะแล้วก็มีบอกว่าในวางมีสวดได้ทั้งผานาอ๋อไม่รู้สิท่านจะหมายแค่ไหนผานพระมันเยอะไปบทสวดของพระอ่อนี่ก็ผานยา์ก็เนี่ย บทสวดที่ไปคำกล่าวของยักษ์นะถ้าภาษาวิชาการก็คือมหาสมัญสูตรประสูตรว่ารการประชุมใหญ่มหาสมัยวาการประชุมใหญ่สมัยวารการประชุมนะการประชุมใหญ่ก็หมายถึงว่าพวกท้าวจัตุโล ก, ก บ, บาลพร้อมทั้งลูกน้องบริวารมาประชุมกันเต็มไปหมดเลยนะพวกชวนกันใหญ่พวกนั้นพวก กุมพันพวกยักษ์พวกเยกอะโวยมากันใหญ่มาประชุมนะีมาหาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วชาติจัตุโล ก, กบาลก็เนี่ยมากราบทูลพระพุทธเจ้าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นชาวบ้านชาววัดอะไรก็ตามไปอยู่ในที่ต่างๆพวกลูกน้องชาวจัตุโล ก, กบาล ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจบางทีก็อาจจะมาเบียดเบียนได้แกล้งเด้ประการต่างๆก็ขอให้เอาถ้อยคำของท้าวจัตุโลกบาลได้ไปกล่าวพวกนั้นจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้เป็นมิตรทีนี้ก็คำสวดนก็ต้องเป็นเรื่องดีๆที่แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยใช่ไหม อันนี้บทเนี้ยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องยักษ์เราพูดผีปีศาจอมนุษย์ก็เลยนิยมม า, มาใช้เวลาที่เกิดเหตุเพศภดยใหญ่ๆก็แล้วแต่และหมายความเรื่องรายๆทั้งหลายนะ่ยที่กลัวยักษ์กลัวมารกลัวอมนุษย์กลัวผีแล้วคนไทยเราก็ถือว่าอหิวาก็เป็นห่าใช่ไหมก็เป็นพวกผีมากันใหญ่ใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเวลา เกิดโรคระบาดใหญ่เกิดอหิวาตกัโรคคนตายกันมากมายเนี่ยก็จะสวดผ่านยักษ์กันโดยเข้าใจว่าพวกผีพวกยักษ์มากันเยอะก็มาสวดผ่านยักษ์ทีนี้เพื่อจะให้มันสมจริงใช่ไหมก็ต้องดุเดือดหน่อยสวดแล้วก็กระทุ้งไปด้วยกระแทกเสียงไปด้วยแต่พวกผีพวกยักษ์เนี่ยมันต้องแบบนี้หมายความนักเลงมันต้องสู้กับนักเลงนะกระทาเสียงให้มันน่ากลัวพวกผีพวกยักษ์มันจะได้ กลัวแล้วมันจะได้ตั้งใจฟังใช่มไม่มงั้นมันก็ไม่เอาใจใส่ใพวกผีพวกยักษ์มนุษย์นี่ใช่ไหมอันนี้เราได้เต้มเมตตาเราได้เต้ท่าทีเลยทุกเนีมเม้ยอา้าวถ้อยคำมันเมตตาเองแต่หมายความนิสัยเขาอย่างนั้นหมายความว่าตอนนี้เราไปเกี่ยวข้องกับพวกนักเลงนี่ก็ต้องพูดดุเดือดหน่อยแต่ว่ามันลักษณะท่าทีการพูดใช่ไหมดุเดือดหน่อยแต่ใจเมตตาถ้อยคําเมตตาไม่มีอะไรแกทําไมไม่รู้จักพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ ท้าวโธจัลุโรคกา บ, บาล น, นายของแกเนี่ยก็นับถือพระรัตนตรัยแกไม่รู้หรืออะไรทํานองนี้ใช่ไหมก็พูดดุเดือดหน่อยใช่ไหเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามันต้องมีเมตตาต่อการสิ่งอะไรจะพูดกับคนนักเลงก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ใกล้มสมจริงก็เลยต้องเอากระแทกเสียงและอะไรแต่อะไรเนี่ยดุเดือดอภิญญาวจาแต่ภิญญาวจานั่นหมายถึงว่าลักษณะ วิธีพูดท่านบอกว่าปิยาวัจาแม่แต่แม่ด่าลูกก็ยังไม่ผิดเพราะน้ำใจนั้นไม่ได้ขัดเคืองไม่ได้คิดร้ายแตท่านยกตัวอย่างบอกว่าเนี่ยลูกคนหนึ่งว่าไม่ฟังไปเที่ยวท่าเดียวไปเที่ยวเรื่อยแม่ก็กลัวจะไปเป็นอันตรายลูกจะไปเลยแม่เป็นห่วงที่นั่นมันมีอันตรายก็ไป <c oughs> <c oughs> แม่ก็ทั้งโกรธทั้งรักเอกเออเองไปให้มันให้กระทิงมันกัดตายว่างั้นเนี่ยท่านบอกว่าที่แม่พูดอย่างเนี้ยไม่เสียปิยาวาจาเพราะใจรักมีเมตตาใช่ไหมฮะ น, นั่นมันอยู่ที่ใจรักว่างั้นนะฮะอาจจะต้องถึงกระดากกระว่ากันก็จะไปถือเลยน้ําใจท่านดีว่างั้นนะแต่ทีนี้ถ้าได้ได้ทั้งสาระและรูปแบบก็ดีหมายความว่าทั้งตัวถ้อยคําที่เป็นรูปแบบ ก็ดีด้วยทั้งสาระคือเนื้อหาก็มาจากเมตตาธรรมด้วยใช่ไหมเพราะเป้าหมายนั้นก็คือเรื่องความดีงามใช่มเพราะนั้นทีนี้พูดกับยักก็อย่างที่ว่าเป็นนักเลงแต่ว่าบางทีพระเราก็ว่ากันจกระทั่งว่ามันชักสนุก <c oughs> เอากันว่ากระแทกกระทืบกระสวดกันแหมว่ากันโอ้ส่วนให้ยิ่งดังนั่ทีนี้มันในแง่หนึง่งมันได้ในแง่ให้กําลังใจแก่ประชาชน ประชาชนได้ยินแหมสวดกระแทกดังอย่างนั้นยิ่งเกิดกำลังใจใหญ่โอ้ยผีมันหนีแน่ถูกไหมไหนฮะเจ้าเข้าเลย ใ, <น S 1> ใช่ไหม <ใน S 1> ก็<ใ>นี่แหละคือบอกแล้วไงเรื่องนี้มันอยู่ที่จิตไร้สานึกบางคนนะครับพรมน้ำมนป์าป๊บนี้ตัวสัน่นโอ้ยแทบจะลอยเลยใช่ไหมเนี่ย บางคนเป็นทุกทีเลยพระโดนน้ามนต์ทีไรเนี่ยเคยเจออยู่คนหนึ่งเป็นลูกของญาติโยมที่วัดพระพิเลนพระพรมน้ํามนต์ทีายเอาแล้วเจโอ้โหสั่นปั๊บปับป๊บปบนี่ยมันลงจิตไร่สำนึกเพราะฉะนั้นบอกแล้วเรื่องนี้มันเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจนะในเรื่องนี้ระดับเหตุผลไม่พอมาจะโมมาคิดอยู่ว่าอันนั้นเป็นอย่า ง, งานั้นอย่างนี้ควรจะเป็นงั้นไม่ได้นะอย่างที่บอกว่า เข้าป่านะพอเขาบอกว่าเสือมาเท่านั้นเลยผอมันไม่ต้องคิดเสือรูปล่างเป็นอย่างนี้มดุร้ายอย่างนี้ถ้ามันกัดเรามันตายแน่นะใช่ไหมนะเราควรจะหนีนะหรือจะทําไงมันไม่ต้องคิดใช่ไหมมันสั่นทันทีเลยมันพรึบเดียวใช่ไหมมันต้องมานั่งคิดพิจารณาไหมที่จะกลัวมันมาจากไหนล่ะเนี่ยมันอยู่ลึกถึงจิตไร้สานึกใช่ไหมไอ้อย่างนี้แหละอะไรที่จะทันกันล่ะ มันก็ต้องมีไอ้ตัวที่มันลงไปถึงจิตไร้สำนึกด้วยเช่นเดียวกันเช่นความเชื่อที่ลึกซึ้งที่แรงมากหรือปัญญาที่รู้เด็ดขาดไปเลยมันก็แก้กันได้แต่จะมาเอาไอ้สิ่งที่เป็นเหตุผลมาโมคิดกันอยู่นี่ไม่มีทางหรอกนะเพราะนั้นจึงต้องคำนึงถึงอันนี้ด้วยนั่นเวลาเกิดเหตุพอีแล้วมันตลิดเปิดเปลงหมดจิตใช่ไหมอ่านี่คนที่ว่า พอเขาตะโกนว่าเสือมาแล้วก็สั่นผับบผับถ้าเขาเกิดอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยเด็ดขาดเนี่ยเสือมันทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดเช่นเดียวกันเสือมามันก็เฉยถูกไหมความรู้อันเนี้ยที่มันทําให้มีปฏิิรยาทันทีเนี่ย ม, มาจากไหนมันเป็นความรู้เฉพาะเฉพาะที่ทันทีไม่ต้องไปนั่งคิดถูกถูกไหมฮะนี่สิอันเนี้ที่สําคัญมันต้องให้ถึงขั้นนี้ อันนั้นคนที่จะจัดการกับเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาเอากันระดับจิตสำนึกมาพูดมาจา ก, กันอยู่ใช้เหตุผลเท่านั้นไม่พอต้องเป็นความเชื่อหรือความรู้ที่เด็ดขาดไปเลยเชื่อก็ต้องเชื่ออ ย, ย่างแรงกล้าหรือรู้ก็ต้องรู้เด็ดขาดไปเลยอันนี้จึงจะจัดการกับไอตัวฝ่ายตรงข้ามที่มันลึลกลงไปในจิตไร้สานึกได้ใช่มะทีนี้ว่า เอาล้อันนี้ที่จริงยังเป็นเรื่องต้องพูดต่อไปแต่ว่าพูดนำไว้นิดหนึ่งก็นนะคือว่าเรื่องาศาสนาต่างๆเนี่ยมันจะให้ความเชื่อเป็นหลักทีนี้ความเชื่อเนี่ยมันให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยพอเชื่ อ, อ น, นี้ปับ๊บมันความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมีมาแล้วมันก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมจิตใจมันก็อยู่มันก็ไม่ประวัติพลั่นพลึงไม่ตัวสั่นงินงกก็ได้ประโยชน์แต่ว่า ถ้าเราอยู่ด้วยความรู้สึกมั่นคงจะพอไหมนี่คือศาสนามักจะให้อันนี้ที่สาคัญความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนี่ก็คือเชื่อว่าปลอดภัยหวังว่าปลอดภัยพุทธศาสนาบอกมันต้องถึงขั้นที่เป็นความมั่นคงปลอดภัยจริงๆอันนี้ไม่เหมือนกันนะความรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยกับความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริง ทีนี้ศาสนาอาจจะให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยชโลมใจทำให้เขาสบายใจได้แต่พุทธศาสนาบอกแค่นี้ไม่พอนะคุณต้องถึงความมั่นคงปลอดภัยที่แท้ไอความมั่นคงปลอดภัยที่แท้เนะี่ยอยู่แค่ขั้นความเชื่อไม่พอต้องขั้นปัญญารู้เด็ดขาดแก้ปัญหาได้ทีนี้เมื่ออยู่ด้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเนี่ยจิงอยู่เป็นประโยชน์แต่พร้อมนั้นเป็นโทษถ้าคนเกิด สบายใจซะแล้วได้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็เลยไม่แก้ปัญหาไม่สร้างความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงใช่มก็หยุดแค่นั้นนี่แหละเพราะนั้นศาสนากลับเป็นโทษตรงนี้ถ้าไปติดปั๊บอยู่เลยทนี้อันนี้ตอนเนี้ยที่มันเป็นปัญหามากก็คือว่าศาสนามันช่วยเป็นประโยชน์จริงสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแต่เสร็จแล้วก็ทำให้คนเลยบนอยู่ที่นั่นจมอยู่ที่นั่นอยู่กับความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย อยู่กับความหวังอยู่กับความเชื่ออยู่กับความอุ่นใจนั้นเสียไม่ก้าวต่อมันก็เลยกลายเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เขาไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงบางทีกลับร้ายกว่าการที่ปล่อยให้คนนะ่ะไม่รู้สึกมั่นคงปลอดภยัยแล้วพวกนั้นจะดิ้นเต็มที่เพื่อจะไปหาความปลอดมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงใช่ไหมนั้นจึงบอกว่าไม่แน่นะระหว่างสองเมื่อวานหรือเมื่อวันพูดไปทิงแล้วว่า3ระดับหนึ่งมนุษย์ที่ ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หวังเลยแย่ที่สุดเลยสองมนุษย์ที่มีความรู้สึกหวังนะอุ่นใจใช่ไหมสา ม, มนุษย์ที่ช่วยตัวเองได้โดยสมบูรณ์สามระดับไหนดีที่สุดช่วยตัวเองแก้ปัญหาได้เสร็จโดยสมบูรณ์นี่ดีที่สุดระดับที่สองเราบอกว่าอ๋อหวังความช่วยเหลือจากอำนาจโน้น อ, อำนาจนี้มาได้มีความอุ่นใจใช่ไหมดีที่สอง ไอ้พวกที่ไม่มีอะไรเลยอยากไร้แย่ที่สุดใช่ไหมเรามององนี้แต่ไม่แน่บางทีไอ้พวกที่แย่ที่สุดนี่แหละเพราะมันไม่มีความหวังเนี่ยมันดิ้นสุดฤทธิ์เลยมันแข็งขึ้นมาไอ้พวกที่มีความหวังซะอีกจมอยู่ที่นั่นแหละไม่แข็งแรงอ่อนแอหวังพึ่งเขาเลยไม่ไปไหนแหละดังนั้นไอ้พวกที่แย่ที่สุดเนี่ยกลับแข็งแรงไปได้ก้าไปสู่ขั้นที่สามเลยใช่ไหม สามารถแก้ปัญหาไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงนั้นถ้าจึงต้องเอาตัวที่สามเป็นหลักตัดสินว่าต้องเอาความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงจะมาได้ด้วยอันที่หนึ่งที่สองเอาทางนั้นนะอย่าไปเอาเดี อ, อันที่สองบางกรณีต้องให้เขาเจอเลยเจอกับเพยอันตรายอย่างแท้จริงเอาพอให้ไม่เขาตายเอาพอไม่ให้ตายก็แล้วกันให้มันค้างเหลืองไปแต่ว่ามันดิน้นมันจะได้ สำนึกมันจะได้ฝึกตนแล้วมันจะได้แข็งขึ้นมาใช่มบางทีดีกว่าไปทำให้เขาเพลนินสบายอยู่ด้วยความหวังแล้วก็เลยอ่อนแอแล้วก็จมอยู่แค่นั้นอันนั้นนี่ก็อยู่ที่การปฏิบัติด้วยว่าในฐานะนผู้สอ น, นเราดำเนินตามพระพุทธเจ้าเราจะใช้วิธีไหนใช่ไมไม่ใช่ว่าจะไปเอาว่าศาสนามากล่อมช่วยให้เขาสบายใจได้ก็ดีไม่แน่เนี่ ย, <c oughs> าย้าว่าาสนาที่ศรัทธาสูสุดเีย ก็แล้วแต่พูดอะเพราะว่าเอาตามที่ว่ามาันก็แล้วกันแหะมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายแต่ว่ามันมีโอกาสมากที่จะดึงให้จมอยู่นะใช่ไหมเพราะคนเนี่ยพอมันสบายใจแล้วมันก็มีความโน้มเองที่จะหยุดเลยสบายใจแลวโอ้ฉันไม่ต้องทาอะไรใช่ไหมบางทีมันเป็นการหลอกตัวเองอะว่าปลอดภัยเหมือนการนกชนิดหนึ่งมันหนีภัยเนี่ยมันจะเอาหัวซุกใสย ทีนี้พอหัวสุกสายหัวมันพ้นแล้วใช่ไหมมันมองไม่เห็นภัยแล้วมันก็สบายเลยใช่ไหมที่ไหนได้ภผยมันไม่หมดแล้วไอหมาข้างหลังมาจะมากัดก้นมันก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยคนที่อุ่นใจด้วยสิ่งที่หวังว่าเป็นที่พึ่งอะไรมาช่วยเหลือเนี่ยบางทีจะเหมือนกันนกชนิดนี้ที่ว่าเวลาหนีภัยแล้วก็เอาหัวไปสุกสาย พอหัวไป็ซุกกองทรายแล้วตาไม่เห็นภัยนั้นก็สบายใจว่าตัวพ้นภัยแล้วแต่ที่จริงไม่ได้พ้นหรอกนะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องระวังละ่ะเราตกลงว่าจับหลักพุทธศาสนาว่าท่านไม่ต้องการให้มาให้เสียคือว่าหนึ่งก็สองก็ไม่เอาทท่งนั้นแหละแต่ว่าเวลาใช้ประโยชน์จะใช้อันที่หนึ่งหรือสองโดยที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าก้าวไปสู่อันที่สามนะต้องไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริง จะไปหยุดนิาสนาเป็นอันมากเนี่ยไปนึกว่าไอ้อันที่หนึ่งมันไม่ดีแล้วจะต้องช่วยเดีอันที่สองแล้วก็อยู่ที่นั่ น, นอันนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ย้ำนักเรื่องว่าเ อ, อเรื่องการเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลิตรปาติหารศิย์ศาสตร์เนี่ยเนี่ยต้องระวังใช้ให้ดีถ้ามันไปขัดขวางทําให้เป็นตัวกล่อมให้หยุดให้จมอยู่มันไม่ไปถึงที่สุดไม่ไปถึงความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริง มนุษย์จะต้องพัฒนาต่อไปจะต้องเข้มแข็งมีปรรัญญารู้เข้าใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงเลยที่สุดเดี๋ยวจะกลายเป็นพูดเลยต่อไปที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจะพูดต่อไปอีกก็เขาควรจะเรียนรู้ต่อไปใช่ไหมคนะธรรมมาไม่ไปกลัวหรอกเรื่องจะไปพรมน้ำมนต์น้ำมนต์เราต้องมีหลักเราต้องมีความมั่นใจว่าเราทําอะไรเราทําเพื่ออะไรใช่มไหมดัง น, นั้น ก็อยู่ที่ว่าอ้าวเมื่อเขาสงสยัยก็ามาคุยกันสิเนี่ยเรืวพงองเรื่องออันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นประเพณีเรืวพงอ ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเราต้องจับหลักของเราให้ดีนะะถ้าอย่างน้อยก็สแสดงความปรารถนาดีต่อกันแล้วบอกแล้วเนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตไร้สานึกเลยดะงนั้นในเมื่อเราไม่ได้ถึงฝั่งเด็ดขาดเนี่ยใจเรามันมีสองแบบอีกแล้วก็กลายเป็นเรื่องวิชาการขึ้นมาอีกนะคือในเมื่อเรายังไม่รู้แน่เด็ดขาดแล้วเราก็ไม่ได้พร้อมจริงเนี่ย มันกลายเป็นว่าหลอกตัวเองว่าฉันเนี่ยไปปรารถนาะไม่เอาสิ่งเหล่านี้อ่าแล้วเสร็จแล้วก็แสดงออกได้ว่าปฏิเสธหรือแม้แต่ว่าแม้แต่ประนามแต่ใจตัวเองก็ไม่พร้อมมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องคือมันต้องเป็นจากความมั่นใจแล้วเขาจะทำตัวสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสบายใจใช่ไมัมยะ นี่มันไม่มีความชัดเจนเนี่ยใครก็กลายเป็นปฏิกิริยาในทางลบว่าโอ้ไม่ได้และเรื่องนี้ฉันไม่เอาด้วยอะี้ใช่ไหมฮะแต่ตัวเองนั้นไม่ได้เข้าใจได้ปัญญาที่แท้จริงมันเป็นเพียงปฏิกิริยาในขั้นความรู้สึกมันเป็นเรื่องทางด้านจิตเท่านั้นเองถ้าอย่างนี้แล้วเขายังข้าไม่พ้นนั้นเราจึงไม่สามารถจะหวังแม้แต่นักวิทยาศาสตร์อย่างท่าทีพุทธศาสนาที่บอกว่า เทวดามีไม่มีฤทธปาฏิหาริย์จริงไม่จริงเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงถึงมีถึงจริงก็ไม่หวังพึง่งในพุทธศาสนาใช่ไหมใช้าทีนี้เด็ดขาดเพราะเรามีหลักการเราต้องชัดในหลักการอันนี้ทีนี้เราจะมาเห็นว่าพวกคนสมัยปัจจุบันนี้จำนวนมากเป็นผู้ที่นิยมวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะไปติดอยู่ว่ามันจริงไม่จริงมันไม่จริ ง, รงแล้วก็ปฏิเสธ เทวดามันไม่จริงฤทธิปฏิหารไม่จริงไซส์ศาสตร์มันไม่จริงก็เลยไม่หวังพึ่งมันทีนี้ต่อมาพอประสบเหตุการณ์หลายทีมันไม่แน่ใจเออถ้ามันจริงคนนี้พึ่งเลยถูกไหมพอชักจะไม่แน่ใจพวกนี้ไม่มีทางปลอดภัยแล้วพอจะเห็นข่าวชักจะมีจริงตอนนี้หันเลียงขวางแล้วนะและ้วทีนี้ต่อไปปรากฏว่าชักเชื่อว่าจริงเลยไปหวังพึ่งเต็มที่เลยทอนี้ไม่มีท่าตีที่ถูกต้อง จริงไหมเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยทีนี้พุทธศาสนานี่ไม่ต้องไปเถียงเรื่องนั้นเลยจริงมียอมรับได้เลยแต่ไม่หวังพึ่งเรามีท่าทีที่เด็ดขาดใช่ไหมมันชัดกว่าไอ้ที่จะไปเป็นแบบนั้นคล้ายๆเหมือนกับคนยังไม่มีความแน่ใจกับตัวเองแล้วไม่มีหลักด้วยนะเป็นแต่เพียงว่าด้วยความเชื่อต่อวิทยาศาสตร์ก็ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มี แล้วก็แยกไม่ออกระหว่างการที่ว่าเออถ้ามีแล้วจะทํำยังไงก็กลายไปว่าเออมันไม่มีเราก็เลยไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้ามีขึ้นมาโอ้เราต้องพึ่งมันแหละใช่ไหมกลายเป็นอย่างนั้นเป็นเลยอันนั้นเนี่ยท่าทีเนี้ยที่น่ากลัวสําหรับสังคมปัจจุบันที่หันเหรียหันขวางและจุดเนี้ยที่เป็นปมร้ายมากสําหรับสังคมเพราะสังคมขนาดนี้วิทยาศาสตร์เริ่มเสื่อมลง คนเริ่มคลายความเรื่มสายต่อวิทยาศาสตร์อิทธิพลของวิทยาศาสตร์น้อยลงใช่ไหมดฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ความเชื่อแบบเก่านี้จะขึ้นมาอีกดัง น, นั้นพอคนเสื่อมจากความเชื่อต่อวิทยาศาสตร์ปั๊บก็กลายเป็นไหลเข้าคติความเชื่อแบบนี้เลยอี น, นี้หลักการพุทธศาสนาะไม่ต้องไปขึ้นต่อเรื่องความเรื่องวิทยาศาสตร์จเจริญไม่จเจริญไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนถ้าทีมาชัดเราไม่ได้หวังพึ่งนี่มันมีเหตุผลอื่นมันไม่ใช่เรื่องมีไม่มีถูกไหม มันคนละเหตุผลนี่เขาแยกไม่ออกอันนี้เพราะฉะนั้นยุคนเนี้ที่น่ากลัวมากเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเสื่อมความเชื่อถือลงเมื่อเสื่อมแล้วคนก็จะต้องไหลกลับไปสู่ไอ้ความเชื่อแบบเก่าของศาสนาโบราณเพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นชัดเลยเดี๋ยวเนี้ยหันกลับไปเยอะความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องพูดผีเ ส, สวดาเจ้าพอเจ้ามก็กลัดเืิดขึ้นมาอีกนะก็เนนี้แหละเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเสื่อมลงเสื่อมสถานนะแล้ว ก็กลายไปว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มีหลัก